อนนี่อะอันนี่ฮะเป็นงานจัดทำเป็นสมัยได้งานตัวน้าปีนั้นซื้อได้อย่างี่สิเล่มยี่สิบเล่มก็ทำทานทำบุญเยอะ ยึเกาะควาหง่าเลยากก็สัญญาจะเป็นทานที่เห็นได้ชัดเจนสื่อเล่มก็ของต้องดูของตัวเองนเห็นนอยเห็นก็ดังไม่เดียวพูดไปแล้วเดี๋ยวก็เบางอ มังยังสองฟังพวกนี้ก็รอเดี๋ยว <c oughs> ทยยวออ่านจะลงไม่เร็ววันนี้ก็จะมาแจากรางวัะ <c oughs> เขาก็ได้กระทบเพราะว่าเขาอยู่ในเซ็นทรัลวอลราคาห้องสอบห้ <c oughs> องสอบ <c oughs> ใจเราเป็นตัวที่ตัววัดตัววัดผลการปฏิบัติของเราได้ผลมากผลน้อย อย่ที่ใจเราไม่มากหรือนื่อน้อยถ้าเนื่อมา ก, กได้ผลมากถ้าเนื่อน้อยก็ได้ผลน้อก็กความที่มันไม่มีอะไรจะต้องตื่นเต้นวราไปหลงกับเขาเองจริงๆเขาไม่ได้มีความหมายอะไรกับใจแต่ใจเราไปให้ความหมายกับเขาเอาง ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดือย่างนั้นดีอ่างนี้นเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่าเกิดการกางะใจของเราก็เกิดอาการวนไหวขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราเราขาดธรรมะแสงสว่างที่จะสอนใจให้รู้ทัน ความจริงทั้งหลายว่าเป็นใจรักใจรักก็ใจรักนี่แหละเป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญญาทางพุทธศาสนาเราไม่ต้องศึกษาอะไรให้มันกว้างขวางศึกษาเพียงแต่ใจรักอันนี้อันเดียวพอเวลาเรามองอะไรขอให้เราเห็นว่าไม่เทียมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเรา เราเห็นได้อย่างปัจจุบันธรรมดวงใจก็จะไม่เกิดอาการอะคือคาโลภความปวดความอยงไม่สามารถที่จะโผล่โผล่ขึ้นมาได้เพราะจะมีปัญญานี้คอยคุ้ไมไว้อยู่เห็นแล้วก็จะสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินได้ยินเสียงก็ไม่ได้ ได้หญิงว่าเป็นแต่ละเสียงไเป็นหนึ่ทางได้ยนเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ได้ว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้ว่าเป็นเด็กหรานไม่ได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเห็นสักแต่ว่ารูปเลืเห็นสักแต่ว่าอาการ32เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเลื่อนกระดู เที่เห็นแล้วเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าเป็นเพียงธาตุเเดินน้าเงินไปธาตุเก็คือหน้าตานี่การเห็นธาตุสีธาตกางการเห็นหน้าตาการเห็นความแก่การเจ็บวามตายก็อนิจาการเห็นความทุกข์ที่ตามมากับการไปหลงยึดติดครับ สิ่งที่เป็นอนิจจ่าและอนัตตาเห็นกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ท่านเรียกว่าธาตุขันธ์นี้เป็นตัวเราของเราไม่เห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่เห็นเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เห็นว่าจะต้องแก่ต้องเจุดต้องตายเป็นธรรมดาเวลา ทำไมเราถึงว่าไม่ไม่เห็นว่าแก่แล้วเจ็บแล้วตายเป็นธรรมดาก็<ม>เพราะว่าเวลาแก่ก็เกิดอาการเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ขึ้นม า, าเวลาจะตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงที่ไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ความอยาย ปัญหาอยากให้อยู่ไปานานๆอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไม่เห็นอ น, นิจจังไม่เห็นอนัตตานี่แหละเป็นเป็นเรื่องของปัญญาทางพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้ความรู้มีเพียงเท่านี้แต่การใช้มันต้องใช้อยู่อย่างทุกลมหายใจก็ออก อย่างที่พระพุทเจ้าทรงสอนพระอนุทให้เจริญมานานุสติทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะเป็นถึงจะเป็นภาวนาไมยัญญาถึงจะเป็นปัญญาที่สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้คือสามารถควบคุมจิตให้นิ่งเป็นปกติไม่เกิดอาการหวั่นไหวไม่เกิดอาการหวาดกลัวกับสภาพ การเปลี่ยนแปลงไปของทั้งของสิ่ต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นการพิจารณาอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเ น, นื่องเปล่งเป็นวิธีการเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ารู้แล้ ว, ร, ลวรู้ว่าแก่แล้วรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็บอกว่าพอแล้วแต่พอไปเจอ ของจริงเขา้าเจอเวลาเกิดเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความตายใจก็หวั่นไหวอย่างนี้แสดงว่ามันไม่พอถ้าพอแล้วมันจะต้องเฉยต้องไม่มีความนิสัยอะไรนั่นคือปัญญาทางทางศาสนาต่างกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี้ส่วนให ญ, ญ่จะตั้งอยู่บนความจำ เราเรียนหนังสือก่อนที่เราจาสอบเราก็ท่องจาเอาไว้แล้วพอเราเข้าห้องสอบเราตอบคำถามแต่สามได้เราก็ผ่านแต่อีกหกเดือนถามว่าที่เรียนมานั้นมีอะไรบ้างรู้อะไรบ้างบางทีจำไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเพียงความจำต้องเปิดตำราเทียบดูก่อน ยังแพทย์นี่เวลาเรียนจบมาใหม่เวลาไปปฏิบัติไ ป, ไปรักษาโรคบางทีต่องเปิดหนังสือดูถ้าไม่มีหมอที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคอยให้ํำแนะนำเพราะยังาขาดการปฏิบัติคือไม่ได้ทำอย่างต่อเ น, นื่องถ้าได้ทำอย่างต่อเ น, นื่นนองเช่นวคนไข้ทุกวันเห็คนไข้ทุกวันเจอโรคนี้อยู่ทุกวันทุกวัน พอเจออ า, าการเห็นอาการปั๊บก็รู้แล้วว่าออกเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรรักษาแต่ถ้าไปเจอรโรคที่นานๆาาจะหลอมมาสักพักหนึ่ง mm. ก็ต้องไปตรวจตำมาดูววิธีจะรรัาโรคนี้จะทํำยังไง mm. เคยเจอหมอ mm. เคยเป็นงูสวัด้าไปหาหมอ mm. หมอเขาเพิ่จบมาใหม่ๆเขาก็รู้ว่าเป็นงูสวัดใหญเขาไม่รูวิธีที่จะ เพราะเชื้อเพื่อเอาไปตรวจเพราะต้องเปิดตาราดูก่อนนีปัญญาทั้งโลกเองส่ว น, นใหญ่เป็นเพียงความจําแล้วก็เป็นความจริงกลับต่อเมื่อ น, นํามาใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำํำวันแต่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติสุด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 เกี่ยวข้องกับใจของตนเพราะว่าร่างกายของคนอื่นนี้ใจของตนไม่ได้มีอุปทานไม่มีความผูกพันด้วยไม่เหมือนกับร่างกายของตนเองถ้าร่างกายของตนเองไม่สบายเนี่ยจะมีผลกระทบกับใจของตนเพราะใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาทุกพาความเจ็บปวดของร่างกายเพราะอยากจะให้หาย ยึดถืความกลัวกลัวว่าจะรักษาไม่ได้กลัวว่าจะต้องตายไปอย่างนี้มันเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจวิชาทางแล้วก็วิชาทางโลกก็ไม่สามารถที่จะรักษาความทุกข์ทางใจนี้ได้เป็นหมอก็ยังกลัวตายก็ยังกลัวเกลยดไ้ให้ปวยังกลัวที่จะรักษาไม่หาย เพราวิชาทางโลกนี้ไม่ได้ไม่ได้พู่งมาที่การดูแลรักษาใจให้เป็นปกติสุขมีวิชาทางธรรมนีทท้ท่านที่รักษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาใจโดยตรงถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมใจของเราจะไม่มี ความมั่นคงจะต้องอ่อนไหวจะต้องตื่นเต้นหวาดกลัวไปกับเหตุการณ์ต่งางๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้รับรู้มางคนใส่บาทยังใจยังทำใจไม่เป็นปกติเห็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นเห็นคนุกยืงตายหน้าตาก็ส่วนเศร้า วันแรกๆก็บ่นว่าทำไมต้องเยืนกันต้องข้ากันแล้วหลังๆนี้ก็เชิงแขวเป็นไงทำใจได้ได้อย่างไรตอเขาไม่มีธรรมะเขาไม่มีธรรมะเขาไม่ได้มีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้มีมีความเจริญมีความเสื่อม มีความสงบมีความวุ่งนวายพวัเราคนไดเปมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าลงมาตรฐสนสอนธรรมนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสมัยพวกเรานี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและสมัยหลังจากที่พวกเราจากโลกนี้ไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็น ภาวะปกติของของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าแต่าถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะเกิดความวิตกก่เกิดความุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจเรา หรือความอยากที่จะให้เหตุการณ์เป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการพอมันไม่ได้เป็นไปทังที่เราต้องการเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาความเพราะฉะนั้นความความไม่สบาย อ, อกไม่สบายจากความทุกข์ใจความกังวลใจความเดือดเ อ, อือดเดือดเดือดอ้อน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 าอาหารหาปัจจัยสี่ยู่แลรักษาร่างกายไปในขณะที่ออกมาก็ต้องรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆทางทตาหูจมูกม้นกายก็ต้องมีปัญญาคอยประกบอยู่ตลอดเวลาต้องมีปัญญาคอยสอนใจว่าสิ่งที่เห็นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจะ การรวมตัวของาธาตุเดินน้ำนมไฟเราก็ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปบางเวลาก็บังคับได้บางเวลาก็บัง ค, บบงบงคับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับ ก, กับสภาพความจริงถ้ารับได้ถ้าบังคับได้ก็บังคับไป ถ้บาบังคับไม่ได้ก็ต้องอปล่อยเพราะการตามตามเรื่องของเขาเร่ร่างกายส่วนใหญ่เราก็จะบังคับได้บังคับให้หายใจได้บังคับให้อยู่อยู่ได้บังคับไม่ให้เจ็บข่ายได้ปวดได้แต่บางเวลาก็บังคับไม่ได้บางเวลาก็เจ็บข่ายได้ปวดขึ้นมาบางเวลาก็หยุดหายใจ ใจใจไม่ควรที่จะไปวุ่นวายไปกับเขาใจถ้ามีปัญญารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้ว่าเราไปบังคับไปควบคุมเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นร่างกายอันแรกที่เราได้มานะจะสูญเสียไปเราได้ร่างกายมานะไม่ชวรนะ ถ้าเป็นเศษถ้าเป็นเงินก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วเป็นร้อยด้านพันด้านทําไมเศรษฐีร่างกายอ น, นี้ไปอันทําทไมจะต้องต้องวุ่นวายใจนก็เ พ, เพราะว่าเราไม่เคยสอนใจให้ปล่อยวางใจไม่เคยสอนใจเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมฝันเท่านั้นเองไม่ได้สอนว่า ร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อที่จะเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าพรแอนะ้วก็จะไม่มีปัญหาพราะถ้าพรนะ้อมแล้วถ้ามีปัญญาแล้วก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกันมีนอาการขาสองเหมือนกัน มีมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันจะต้องกลับไปสู่ดื่มน้ำลงไปเหมือนกันเทียบไม่ต่างกัน<ม>ถ้าเห็นคนหนึ่งตายหน้ทำไมจะเห็นร่างกายเราตายไมไ่มันก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันเหมือนกันนะ<ม>ก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม คนอื่นเรือของเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นเพียงดินงน้ำมันของนี่คือปัญญาที่เราต้องพยายามสอนใจเราอยู่ทุกขณะเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วต้องเข้าสมาธิสลับกับการออกมาเพราะการเข้าไปในสมาธิก็เป็นการเข้าไปพักผ่อ เมนกับเราใช้ร่างกายเราก็ต้องแ บ, บ่งเวลาให้ร่างกายให้มีให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วพอตื่นขึ้นมามีกำลังวันเชาก็เอาไปทำงานเอาไปใช้ประโยชน์พอทำงานจนเกิดความเมื่อยล้าแล้วก็กลับมาพักผ่อนกลับมาบ้านกลับมารับทานอาหาร อ, อาบน้ำหลับ้าหลับนอน เพื่อจะได้ออกไปทำงานต่อในวันรุ่งขึ้นจิตของเราก็ต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อพักจิตให้กำลังกับจิตเสริมกำลังให้กับจิตพอจิตพักเป็นที่มีกำลังแล้วพอออกมาก็ต้องควบคุมจิตให้คิดอยู่ในกรอบของใจนักเสมอคิดเรื่องอะไรก็ต้องมีาจลักเข้าไปเป็นส่วนผสมเหมือนกับการปรุงอาหาร ไม่ว่านชนิดใดก็ต้องมีเกลือมีน้ำปลาเสมอนะถ้าไม่นั้นเรารับประทานไม่ได้จะมีรสชาติที่จืดชือชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าขาดปัญญาขาดใจนักชีวิตของเราก็จะไม่เป็นปกติจะมีแต่ความหุ่นวายมีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัว ตลอดเวาสิ่งอันนี้เราสามารถ ก, กําจัดได้ด้วยเกลือของของใจนักหนึ่งใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยใส่อ น, นิจจังเข้าไปนิดใส่ทุกข์าาเข้าไปหน่อยใส่อนัตตาก็ไปหน่อยคิดอะไรทําอะไรก็คิดว่ามันเป็นเทียอ น, นิจจังทุกขังอนัตตางานนี้เราทําอยู่ทุกวันนี้มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เป็นมันเราจะไม่ทํางานอย่างนี้ไปตลอด ถล้ววันหนึ่งมึงก็ต้องหยุดทำจะหยุดช้าหรือหยุดเรงทั้งนั้นเองความสัมพันธ์กับใครก็เหมือนกันมันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ถาวรตลอดมึงก็ต้องมีวันจบเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆกับสิ่งต่างๆที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้แล้วใจเราจะไม่มีอุ ป, ปทานใจเราจะรับรู้เฉย รับรู้แล้วก็ปฏิบัติกับสิ่งนั้นไปตามเหตุตามผลต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไป mm. เช่นร่างกายต้องดูแลรักษา mm. ก็ดูแลไปรักษาไปแต่ไม่แต่ไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามสภาพของเขา mm. รู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็รู้ตอนจบแล้วว่าเป็นอย่างไรถ้าอยากจะดูภาพยนตร์แล้วไม่กลัวก็ไปดูที่ตอนจบก่อนแล้วค่อยับมาดูตอนเ้ิ่มต้นก็จะรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในตอนจบเราก็รู้แล้วก็เฉยๆไม่ต้องไปนิตกว่าพระเอกนางเอกจะเป็นอย่างไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นอย่างไร ชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของคนอื่นก็เหมือนกันความสัมพันธ์นของเรากับผู้อื่นด้วยการงานต่างๆเราไปดูที่ตอนจบกันตอนที่เราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่มีความหมา ย, ยแต่เราไม่ค่อยมองที่ตอนจบกันเราไม่ชอบกิเลสไม่ชอบตอนจบ ก็ต้องมีความกังวลมีความเครียด อ, อยู่ตลอดเวลาเนีย่ยที่รูเจ้าสงส า, ารพระนาตให้จมันนอนนานุสตุก็ให้ดูให้ดูตามจบดูตามจบของชีวิตเราชีวิตของเรามีที่สิ้นสุดมีวันจบสิ้นถ้าเป็นงานเลี้ยงก็มีงานเลี้ยงก็มีแต่วันที่สิ้นสุดไม่ใช่จะเลี้ยงกันไป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 เชนตัวเลข gdp ตัวเลขอะไรต่างๆดอกต้องดอกไม่ยอดรายรับรายได้เงินเดือนนี่อยากจะให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมให้มันลง้างเ ท, ทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้มีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมาดารายได้ที่ได้ในวันนี้ทั้งวันนีงมันก็ต้องลดลงมาเหลือศูนย์คือเวลาเราออกจากงานแล้วมันก็มันก็กลับมาที่ศูนย์ หรือว่าเวลาเราตายไปแล้วมันก็สูญ mm hmm. พอเราเห็นว่าสูญตอนนี้เราได้เท่าไหร่เราก็จะดีใจว่า mm hmm. ตอนนี้ยังไม่สูญ mm hmm. เราก็ไม่เครียด mm hmm. แล้วเราจะปรับชีวิตของ mm hmm. ของเรานี้ใหม่หมดเลยเ ร, mm hmm. เราจะเราจะเปลียนตัวรับกับสภาพที่จะต้องเกิดขึ้น mm hmm. เราจะไม่น้องกรเริยกับการ mm hmm. จเจริญ เราจะเตรียมรับกับสภาพที่ไม่ต้องเสี่ยงถ้าเหมือนกับถ้าขึ้นเครื่องบินก็ก็เราก็ต้องเตรียมชูชื่อของไว้เตรียมร่มชูชีพอา้เราะเรารู้ว่าเครื่องบินมันจะต้องตกก่อนี่มันจะตกเราก็กระโดดออกจากเครื่องบินมีร่มชูชีพถ้าเรามีปัญญามีใจรักนี่ก็เป็นเหมือนกับมีร่มชูชีพใจของเราจะไม่ทุกกับการเส่งสุด กับการดับไปของเสียนต่างๆตลอดแต่การที่จะคิดถึงเรื่องอย่างเหล่านี้คือพิจารณาตายร่างนี้ถ้าจิตไม่มีความสงบนี้จะพิจารณาลําบากเพราะจะมีกิเสออกลสเอามาต่อต้านกิเลสนี้ไม่ชอบคิดถึงเรื่องความเสี่อความตาย พอคิดแล้วใจจะเกิดอาการหดหู่เกิดอาการท้อแท้จนกระทั่งอาจจะหมดไม่มีกำลังคิตกำลังใจที่จะปฏิบัติหรือจะทำอะไรได้คนที่จะพิจารณาเรื่องตายรักนิรหน้าจึงต้องเป็นคนที่มีใจที่ตั้งมั่นมีความสงบพอสมควรไม่ว่าจะตั้งมั่นมาแล้วจากในอดีตก็ตามเรื่อง ในปัจจุบันต้องมีความตั้งมั่นก่อนต้องมีสมาธิก่อนคนบางท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยแต่จิตท้องมีความตั้งมั่นอยู่มาตั้งแต่เดิมไม่ตั้งแต่แรกก่อนพอเขาได้อ่านหนสีธรรมะได้ได้ศึกษาเรื่องความเรื่องอนิจจังทุกขงาาัของอนัตตาเขากลับรู้สึกมีความ กระตรู้น้นรู้สึกมีความยินดีที่อยากจะเอาความรู้นี้เข้ามาสอนใจหรือเขาไม่กลัวน mm ี hmm. ่แสดงว่าใจเขานี่มีมีมสมาธิมีกำลังมากพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิเลดตัวที่เขามีการความรู้สึกหวาดกลัวหรือท้อแท้หรือเศร้าซ้อยน้อย n ออกมาสร้างอารมณ์ให้กับตุง้งไดา แต่คนที่ไม่มีสมาธินี้พอได้ยินด้วยฟังเรื่องเรื่องความตายเรื่องความสูญเสียนี้ใจจะเกิดอาการหดหู่เกิดอาการเศร้าหมองขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจไม่มีสมาธิพอที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์อย่านี้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเป็นในกรณีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเจริญมรณาจินนติไนดะ้ก็ต้องพยายาม กสริมกำลังของสมาธิให้มีมากขึ้นไปก่อนก็ต้องเจริญสติก่อนต้องพยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเลือเล่อยเปื่อให้ใจนี้อยู่ภายใต้คําสั่งให้ความคิดนี้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราใจมักจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องบงังคับไม่ให้คิด เลือกให้มาคิดในเรื่องที่จะทําให้ใจเราสงบช่วในคิดคําว่าพุโทโธพุทโธไปเลือคิดบทสวดมนต์ไปสวดอรหังสัมมาสวาคาโตสุตสตะกินกัในขณะที่เราทําอะไรก็ตามให้มีธรรมะเสียงตามสายเหมือนก็เป็นเสียงตามสายที่เกิดจากความคิดของเรา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 จิดพุดโทโธก็ได้คิดบทสวดมนต์ก็ได้โดยจะคิดเรื่องของอาการสามิบสองก็ได้ท่องไปก่อนก็้วเราล่างการเรามีอะไรบ้างมีผม <c oughs> ผมเลื้อฟันเนื้เอเนกันหรออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิของแต่ละคนถ้าคิดเจรจาบางอย่างมันพิดเรจาไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปคิดเรจา เอาอย่างที่ติดปอพิจาาได้เช่นพุโทโธนี่จะเป็นจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับบวลานุสติมไม่ได้เกี่ยวกับตายนะเรื่องบทสวดมนต์ลราก็สวดไปก่อนท่องไปก่อนท่องไปภายในใจเหมือนที่เราท่องสวดคืนท่องไปเรื่อยถ้าใจต้องท่องบทสวดมนต์ใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ มื่ไม่มตื่เครียดเรื่องอื่นได้ต่อไปจ ก, ก็จะสงบลงสงบองแล้วก็ตั้งมัน่นสงบคตั้งมั่นนะนี้เราก็สามารถนำมาม า, มาทําให้นิ่งให้สงบให้รวมรวมเป็นหน่ง ไ, เไ้เวลาที่เราไม่ทําอะไรอย่างก็หามุมสงบนั่งขัดสมาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กําหนดพุทโธไป นีืกำหลงดูลงหายใจเข้าออกไปถ้ามีสติมันก็จะอยู่กับอมหายใจอยู่กับพุทโธอย่างต่อเนืน่องแล้วมันก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็นเอกาตาลมจากแต่ลนรูการรวมนี้ก็รวมได้สองลักษณะคือรวมแบบพัวภาพเหมืดดววบบอนตบอุ้มตบอร่างกายหายไปแล้วก็นี่งสบายเบา อ, อกเบาใออออจ ไม่รับรู้กับเรื่องอะไรทั้งนั้นหรือจะเป็นแบบที่ค่อยๆสนบลงไปทีละทีน้อยเหมือนนที่ค่อยๆชะลอตัวลงแล้วหยุดไปในที่สุดแล้วสงบสงบนิ่งแต่ร่างกายก็ไม่หาเสียงอะไรต่างๆก็ยังได้ยินแต่ไม่ใจไม่รับไม่สนใจังรับรู้แต่ไม่ไม่ไปมีอารมณ์กับเสียงที่เยินหรือกับอาการของร่างกาย ว่าจะเจ็บตรงนั้นโดยจะปวดตรงนี้ก็รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดแต่ไม่มาร่บปวดใจอย่างนี้ก็เป็นการรวมเหมือนกันเวลารวมอยู่ก็ควรจะให้รวมนิ่งๆอย่างนี้ไปนานๆถ้าที่จะอยู่ได้บางคนอาจจะมีจิตที่จิตที่ผานผลที่สมบแล้วไม่ไม่ไม่นิ่ไม่ยอมอยู่กับที่ อยจะออกไปรับเรื่องเรื่องต่างๆเหมือนกับฝันเหมือนกับไปฝันว่าไปที่นั่นไปที่นี้ไปเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ถ้ามีสติพอก็อยากไปต่อให้ตังควรจะฉุดให้กลับเข้ามาที่ฐานที่ความสงบที่สัจจะว่าเลถ้าถ้าออกสารบุรุษกิจจะไม่ได้พักผ่อนจะเหมือนทำไม่ได้ทําสมาธิ พอออกจากสมาธิาก็กิเลสก็จะออกมาทํางานงทันทีจะไม่สามารถที่จะไปเจริญปัญญาได้เพราะจะถูกกิเกลสฉุดรากความคิดไปในทางกิเลสในคิดทางโลกทางโกรธทางหลงทางราบยึดสักรวาลดังนั้นเวลาทําสมาธิต้องให้นิ่งหรือแม้จะเป็นธรรมชาติของจิตเราที่จะไปรับรู้เรื่องต่างๆ ก็ต้องระงับไว้ก่อนในระยะแรกนี้ระยะที่เราเริ่มปฏิบัตินี้เราต้องการพักจิตต้องการให้จิตนิ่งให้เป็นให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่หวันไหวไปกับตามอำนาจของกิเลสปัญหาเพื่อเราจะได้นาจิตที่มีความหนักแน่นนี้มาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณา อันนี้จะทุกขออ์ขังนัสตาเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หยุดพ้นจากลำหน้ า, งงานของความโลภความโกรธความหลงพอเราพอติตของเราหยุดพ้นจากเรื่อ ง, องต่างๆเรื่องของเกิดปัญหาได้แล้วต่อไปถ้าอยากจะต่อไเที่ยวตามตามธรรมชาติของจิตตรงนี้ก็ปล่อยพ่ากันญล เราอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสัมผัสรับรู้กับกายทิพย์ชนิดต่างๆก็ปล่อยเขาไปได้หรือถือว่าเราเรียนเราทำงานเสร็จแล้วหรือเราเรีรยนหนังสือจบแล้วเราไม่มีงานที่เราต้องทำแล้วนี้จะไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่าเพราะกิจที่เราต้องทํากิจที่สําคัญคือการชําระความโลภความโกรธความหลง ชำระ ก, กิเลตัณหาชำระ ก, กิเลสตัณหานี่ใต้ทําำสำเร็จรื่องแล้วทีนี้จะจะทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหามืนนักเรียนนักศึกษาที่เราต้องไปงเรยนหนังสือก่อนยังหนีเที่ยวไม่ได้ถ้าหนีเที่ยว เ, เดี๋ยวเรียนไม่จบนักภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าเข้าสมาธิแล้วหนีเที่ยวหนีออกไปรับรู้ เรื่องราวต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนหลีวงเลงจะไม่มีทางที่จะเจรินปัญญาได้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถตัดกิเลสได้ไม่สามารถทำนิโรธให้งได้คือการดับทุกข์ต้องมีปัญญาเพราะปัญญาคือมรรคนั่นเองมรรคให้เจริญให้มากเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อละสมุทัย เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอลจะจมุทายได้ด้วยมรรคแล้วนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็จะหนักไปทุกข์กับนิโรธนี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านถ้าถ้าทุกข์อยู่ด้านบนนิโรธมันก็อยู่ด้านหน้างคือถ้าทุกข์ปรากฏขึ้นนิโรธก็ปรากฏไม่ได้ถ้านิโรธปรากฏขึ้นทุกข์ก็เกิด กขึ้นมาไม่ได้เหมือนเี ย, เยหัวก้อยถ้าเหียงายด้านหัวขึ้นมาก้อยก็ด้านก้อยหายขึ้นมาไม่ได้เพราะต้องอยู่ขา้างล่างนั้นทุกข์นิวรดนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหียญขนละด้านกันส่วนสมุทัยกรรมมค ก, ก็เช่นเดียวกั น, เ ป, นเป็นเป็นเหรียญคนละได้ ถ้าไม่มีมรรคไม่มีตมายรักก็จะเกิดสมุทยัยเกิดตัญหาต่างๆขึ้นมาเกิดความว่ตกกเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นมานี่เป็นสมุทัยเพราะความอยากต่างๆนี่จะทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาเกิด ค, ความทุกข์ขึ้นมาอยากจะให้บ้านเงินสงบอยากจะให้บ้านเงินปลอดภัยพอมันไม่สงบมันไม่ปลอดภัยก็เกิดความเครียดขึ้นมาแต่ถ้ามีมรรคมีปัญญาว่ามันเป็นตายรัก มันมีสงบสงบกับการไม่สงบวันนี้มันไม่สงบก็มันก็ต้องเป็นเป็นเป็ น, ปนวาระของเขาสงบมานานแล้วก็ควรจะไม่สงบบ้างเจริญมานานแลก็ต้องเสื่อมบ้างไม่มีอะไรไม่เสียอถ้ามีการจเจริญก็ต้องมีการเสื่อมถ้าไม่อยากจะเสื่อมก็ไม่ต้องไม่ต้องจเจริญก็คือถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดอยู่ตรงนั้น น, นี่คือการทํางานของอริยสัจสี่ทุกสมุทยนี้เลยมากอยู่ที่การเจริญปัญญานี้เจริญมากแล้วการเจริญปัญญาก็ต้องเจริญสมาธิก่อนแล้วก็ต้องเจริญสติก่อนถึงจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาพอเจริญปัญญาแล้วเกิดก็ต้องพัก ทำงานไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดเหมือกับว่าไม่ทำงานไม่ค่อยได้ผลนะมีดถ้าใช้ไปมากมาก็จะทื่อก็ต้องไปรับมีดก่อนคนที่ฟันคนที่ใช้มีดก็ต้องไปพักรับประทานอาหารดื่มน้ํหลับนอนพักๆเหมือนกันพอมีกำลังแนละ้วรับมีดให้คมแล้วก็กลับมาตัดตัดต่อไป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 ปัญหาอะไรที่เรายัางตัดไมาได้ก็กลับมาวิเคราะห์ใหม่ด้วยปัญญาก็จะตัดได้ไปในที่สุดพอหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วเราก็ไปหาปัญหาเรื่องใหม่ต่อปัญหาที่ใจเราไปวุ่นด้วยไปเกี่ยวข้องได้ทุกทั้งหมดนี้เราต้องตามไปตัดให้หมดตอนต้นก็จะตัดภายนอกก่อตัดพระปัญหาทางรูปเกงเก่งว่ปโปปาโสดะบุคคล หรือวัตถุต่งตางๆเหตุการณ์ต่างๆภายนอกก่อนเมื่อตัดได้แล้วก็เข้ามาตัดส่วนที่ใกล้ใจขึ้นมาก็คือขันธ์ห้าก็คืร่างกายตัดพิจารณามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพิจารณาอสุภะความไม่เสื่อมแน่นนพิจารณาปฏิปุณความสุขโกลของร่างกายเพื่อจะได้สั่น อุปทานความยึดมั่นถึงมันงตัดการมราคะในร่างกายพอตัดร่างกายได้แล้วก็เข้ามาตัดเวทนาสัญญาสังขารยินยันพิจรารณายอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารยินยานก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับเกิดดับตายมีใจเช่นความคิดของเราพอเราคิดปั๊บเสร็จแล้วมันก็หายไปแล้วเหมือนกับเราโยนน้ําลงไปในโยนหินลงไปในน้ําโยนไป น้ำก็กระเพื่อมแล้วสักครู่มันก็มันก็เนี้งหายไปพอเลยก้อนใหม่มันก็กระเพื่อมขึ้มนมาความคิดของเราก็อย่างนั้นพอคิดขึ้นมามันก็กับจิตแล้วก็เพื่อมขึ้มนมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปสัญญาสังขารยืนยันนิทา น, น, นาสัญญาสังขารยืนญานก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเกิดแบบเกิดแบบเป็นทิมไฟ ถ้าเรารู้ทันมนแล้วไม่ไปหลงตามมันก็มันก็จะไม่เป็นปัญหารรู้ว่ามันเป็นเพียงความคิดรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิเดอากเกิดอยรู้ว่ามันเป็นไปแล้วรู้ว่ามันมันไม่มีสาระความหมายอะไรเราไปให้ความหมายหนึ่งเราไปหลงติดอยู่กับความหมายต่างๆเหล่านั้นคิดว่านั้นดีคิดว่านี่ดีเป็ต้คิดว่านันเป็นดาเป็นของ เ, เหล่านี้ ที่เราเียมันไม่ได้เป็นสาระตามที่เราคิดแต่เราไปหลงตามความคิดนี้แล้วก็ไปยึดติดยึดไปคิดว่าร่างการนี้เป็นเราเป็นของเราเวทนานี้เป็นเราเป็นของเราควาจริงมันก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หลุดไปเราปล่อยวางมันได้มันก็จะไม่มามว่ากวนเรามันจะมีอาการเจ็บอย่างนไรถ้ามันก็เจ็บของมันอย่งนั้น แต่จใจเราไม่จะเกิด อ, อะไรครับไปทําไหนเพราะเราไม่ได้ไปให้ความหมายว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ได้ให้ความหมายดีหรือไม่ดีเราก็จะไม่ใส่ความอยากให้มันอยู่เลยอยากให้มันไปมันอยู่กอ็อยู่มันจะไปก็ไปถ้าเราให้ความหมายเวลาสิ่งที่เราว่ามันดีหายไปเราก็เสยียใจเช่นพอสุดเขลธนราหมดไปก็รื้อเสียสุว้าเวเศร้าช่อยมันยาวขึ้นมา พอทุกเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดความลังเกียเกิดความตัวอย่างขึ้นมาเพราะเราไปให้ความหมายนั่นเองว่ามันดีไม่ดีว่ามันสุขมันไม่สุขว่ามันทุกข์มันไม่ทุกข์ทั้งที่มันไม่ได้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์มันก็เป็นของมัน่างนเหมือนเสียงที่เราได้ยินนีมันก็เป็นเสียงของมันอย่างนี้เราไม่ได้ไปให้ความหมายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าเราไปให้ความหมายว่าเป็นเสียงคำนั่เสือนเราก็เย้ยย้นจัใจดีออกดีใจถ้าเราไปให้ความหมายว่าเป็นนินทาเป็นการตาหนิว่ากันเราก็จะไม่ไมสบายใจขั้นั้นต้องดูตรงที่ความจริงของมันว่ามันเป็นเพียงสภาวะทำอย่างหนึ่งที่เกิดจาบเกิด่างอยู่ในใจเราที่ใจเราไปรับรู้มาในใจเรา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 เกิดดแบบับเกิดดแบบับเป็นเสียงนึกเป็นเวทน า, าที่เกิดมาเวลาเรามาสัมผัสที่ที่ใจมันก็จะเกิดเวทน า, งงาที่อยู่ที่ว่าใจเราไปให้สัญญาความมั่นหมายว่ามันว่าอย่างไรถ้าไปว่ามันดีก็จะดีใจถ้าไปว่ามันไม่ดีก็จะเสียใจถ้าไม่ได้ปว่ามันดีแล้วไม่ดีมันก็จะเฉย อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสอนใจคือปัญญาสอนว่ามันเป็นตายรักมันไม่มีความหมายอะไรเราไปให้ความหมายมันเองแล้วเราต้องลบงานความหมายทั้งหมดให้นันหมดไปเพรมันเป็นเพียงสมมติคนสารเสดเรามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ทาให้ใจเราดีขึ้นหรือเร็วลงไปคนที่เขาด่าเรามากน้อยเพียงไรก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ทาให้ใจเรา เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นแต่อย่างไรใจเราก็ยังทอดยัอยู่ถ้าเราฉลาดเราเรารับได้ทั้งสองอย่างมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไกับใจใจก็จะเป็นปกติเพราะว่าใจมีมัดควบคุมไว้ควบคุมไม่ให้เกิดสมุทัยไม่ให้เกิดความยินดียินรายสมุทัยก็คือความยินดียินร้ายน ภาวะตัณหาวิภวะตัณหาภาะตัณหาก็คือความยินดีวิภวะตัณหาก็คือความยินแล้วยนี่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญามากำจัดคือความยินดียินร้ยต่างต่างของเราอย่าไปเห็นว่าดีหรือไม่ดีให้เห็นว่ามันสักแต่ว่าเท่านั้นแล้จของเราก็จะเป็นปกติ จะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องเจริญแล้วก็กลับเป้าหมายต่างๆจากส่วนอยากเข้ามาสู่ส่วนละเอียดภายนอกก็เป็นส่วนอยากรูปสิ่งเก็บ น, นัดรูปร่างหน้าตาของคนมัตนต้องเป็นส่วนอยากแล้วก็ต้องชำระก่อนต่าง แ ล, hmm. แล้วก็เข้ามาส่วนภายในที่ละเอียดก็คือเวทนาเสนีย์สามสายนิยมแล้วก็เข้าไปภายในจีต <moonlight> ท <ing> ี่แต่ละขั้นที่ละเอียดที่สุดต่อไปมันเป็นเหมือนกำแพงที่เราจะต้องเหาะทะลุไปทีละขั้นทีละขังข้ามขั้นไปแล้วกำแพงในึ่งสามสี่สามกำแพงกําแพงปลายยอดําแพงขันกำแพงภายนอกกําแพงภายเหนแล้วกําแพง ภายในจิตอเองภายในนอกรูปเสียงจิตนัดนแล้วก็มาที่ขันห้าที่นำมาขันที่รูปประทันก่อนแล้วก็นามาขันแล้วก็เข้ามาที่จิตจิตก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะจิตยังมีตัวที่ไปสร้างสมมติขึ้นมาภายในจิตเช่นเดียวกันแต่ยังมีความสาคัญแม่นไหมาภายในจิตว่าสภาวะอย่างนี้ดีสภาวะอย่างนี้ไม่ดี นี่คือสุขนี่คือทุกข์เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับอย่าไปยึด อ, อ, อ, อ, อ, อย่าไปติดอย่าไปอยากชอบสภาวะอย่าไปยินดีมากกับสภาวะต่างๆที่มีอยู่นี้พอปล่อยวางแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรตรงนี้ถ้ารู้ธรรมแล้วต่อไปมันก็จะไม่ผลุดเยอะ สร้างสภาวะเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็มีแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ทานั้นทั้งหมดนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัวตัวจัดการส่วนสมาธินี้เป็นตัวสนับสนุนร ต, ตินี้เป็นตัวผักนำที่จะทำให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาตามมา เพรนั้นในทีวิตประจำวันของาเมื่อเร า, าต้องใช้ใช้สติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปตามเรื่องตามไปเรื่อยเปื่ยคิดเรื่อยเปลื่ยต้องเด้งออกมาให้อยู่ให้ตั้งมัน่นให้อยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ให้ไปคิดเรื่องที่จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆให้คิดแต่ในเรื่องที่ทําให้จิตสงบคิดธรรมะคิดพุทโธพุทโธไป โดยคิดบทวดมนตต่อถ้าใจมีกําลังมีสมาธิมากก็คิดเรื่องอันนี้จากทุกขังหน้าตาแล้วใจจะไม่ไม่วุ่นวายใจจะไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่ก็คือหน้าที่ของเรางานของเราเป็นทั้งการบ้างและเป็นทั้งการเข้าห้าองสอบ การบ้านก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวเราพิจารณาเตรีงมตัวนักกับเหตุการณ์ว้ก่อนแล้วเวลาไปเจอของจริงก็จะได้รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านสอบตกอยู่หรือเปล่าจะขอให้พยายามทาไปทามามากแล้วห้าปีแล้วอย่าง <c oughs> น้อยก็อย่ า, ยายอย่าหยุดอย่างนี้จะให้ก้าง่ายก็อย่ายท้อแท้อย่ายองแท้ ทําต่อไปถ้าบ้างหรือบ้างก็ขึ้นอยู่กับความขยนันของแต่ละคนถ้าขยันมากก็ไปเร็วถ้าขยันน้อยก็ไปช้าถ้าง่ายก็เพราะว่าฉลาดถ้ายากก็เพราะว่าไม่ค่อยฉลาด <c oughs> ถ้าไม่ฉลาดจะพยายามสร้างความฉลาดให้เกิดขึ้นเพื่อนำทำให้มากเข้าหาผู้รู้ให้มากทํามทำอยู่เรื่อยๆแล้วนำสิ่งที่ได้ยินได้มามาหลใจอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ฉลาดเองพอเราไม่โง่ไว้ตลอดพอเราฉลาดได้ไม่งั้นจะไม่ปรากฏมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ขึ้นมาพระท่านก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดท่านก็โง่เหมือนกับพวกเราเนี้ยแต่ท่านไปรู้ไปศึกษา ความสใจอยู่ตลอดเวลาก็เกิดความเจริญขึ้นยันทุกอย่างนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุดวิสัยสำหรับพวกเราถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเราเองด้วยความเกลียดครางด้วยด้วยความคิดที่ผิดว่าเราไม่มีวาสนาเราไม่มีความสามารถถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ปิดตัวตัวกั้นตัวเราเอง แต mm ่ถ hmm. ้าเราบอกว่าเรากับพระพุทธเจ้าก็ไม okay. ่ต่างกันใจของเรากับใจของพระเจ้าในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นใจที่พร้อมที่จะเป็นพระอาหารเป็นพระพุทธเจ้าได้เท่ากันเป็นเหมือนเมล็ดข้าวทุกเมล็เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเอาตัวลงไปในดินนี้อไม่เท่นั้นเองถ้าตูดลงไปในดินมันก็ต้องเจริญ่อกงามขึ้นมา ก็ขอให้พยานทามันต่อไป <c oughs> คารกระจายเรื่องนี้ก็เป็นจุรธรรมเรื่องที่สิ่ ก็คนคนที่ไม่ได้อ่านคุณธรรมก็ยังมีอยู่นะยาาาา ม, กมากญาติโยมที่ทํานงที่ข้างล่างํามเรือกัรนี้ได้อ่านก็เพียงเพียงสลับก็เที่ยที่สองญาติโยมที่ข้างล่างลงไปเริ่มต้นมาตั้งแต่เล่นที่สิบหกกาลังใจสิบหกนี้ก็จะเป็นจุณธรรมเล่นหนึ่งกลังใจสิบแปดก็เล่นสองยี่สิบก็เล่นสาม 3. ยี่สองก็เล่นที่สี่ส่วนตัวจ่ายที่เป็นหมายเลขที่คือยี่สิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิอนี้ก็จะเป็นเทศที่สองญาติพ่นอตอนเช้าตอนก่อนจะฉันตอนเช้าก็จะมีรสชาติไม่เหมือนกันเทศอนเขานี่อยู่ตรงยม ข้างล่างก็เปหมือนแบบธรรมดาพระข้างล่างไม่อ่านมาก็มีบ้างบางองค์แต่คงไม่มากท่านก็ได้ไม่ได้ท่านท่านมีเป้าหมายไม่เหมือนกับพวกเราทุกอย่างง่ายนท่านดูดตามบทเทลงเยมากกว่าดูดตามตามบทเทลนี้แล้วก็ บวชไม่นายพวกที là, I, ่บวดนานๆเขาก็มีเป้าหมายไปทางอื่นทางกาก็มีสนใจทานี้เขาก็มีเขาก็ต้องมีอะไรมีสันโอดั่งน้อยของเขาพอใจกับฐานะที่เขาไม่อยู่เป็นอยู่เขาไม่ได้ ที่ถึงเรื่องการที่จะขวนขวายปฏิบัติเพื่อให้หลุดทนออกจากกองทุกข์ให้อยู่ไปวันวันยางแล้วไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่บุญวัยาับอะไรก็เขาก็พอใจนะถ้าเป็นเรื่องขอ ง, งนาจิตตังเป็นเรื่องของอินทรีย์อินียก็คือศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญา ม, มีมากมีน้อยตามา ก, กันไปก็ทำกันไปตามตามฐานะของของแต่ละคนที่มาทำกันแล้วคนที่บวชแล้วถ้ามีอินทรีย์แก่กล้าก็จะม่วงไปทางสำนักปฏิบัติถ้ายัางอินทรีย์ไม่แก่กล้า ก, ก็จะอยู่ตามวัดตามบ้านตามเมืองจะมากกว่า หรือรับประทานอาหารเราก็เลือกร้านที่เราจะรับประทานอาหารกันร้านอาหารก็มีหลายระดับตั้งแต่ริมถนนจนกระทั่งถึงห้าดาวในโรงแรมห้าดาวมันก็อยู่ที่ว่ากําลังทรัพย์ของเราจะมีมากน้อยเพียงไรถ้าคนมีซับมากก็คงไม่รับประทานอาหารข้างริมถนนแต่นคนที่มีรับน้อยมีซีน้อยก็ต้องกินอาหารข้างถนนไปก่อน คนที่มีทัพมากเขาก็เป็นกินอาหารระดับห้าดาวกินอาหารที่ข้าหันเป็นคนตุนตังนก็บัวสี่หนอนะก็อย่างนี้บัวสี่หนอนกได้สะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากันในพัฒนาจิตใจมาไม่เท่ากัน ไม่งั้นคนที่เกิดในสมัยร่มพระเจ้าก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ทั้งๆที่มีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์คอยช่วยอบรมสั่งสอนอยู่พระที่บวชในสมัยนั้นก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทุกทุกเพราะแต่ละคนก็มียินรียที่ไม่เท่าเทียมกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปสนใจมากนะควรจะสนใจอินซีของเราดีกว่าอินซีของเรามีขันาไหนเราเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าทำให้มันมากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือพอใจกับฐานะของเรารอย่าไปยุ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลี้ยงดูเรื่องของตัวเอ ง, ต, เองตัวเองอยู่กับที่มานานแท่ไหนต้องไปดูตัว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 ขึ้นนี่มันยากนลง่งรถนี่มันง่ายชวนไปเที่ยวนี่มัน ง, ง่ายชว <c oughs> นไปวัดนี่มันยากชวนไปปฏิบัติธรรมนี่ยาก <c oughs> ชวนไปเที่ยวนี่ง่ายง <c oughs> ั้นเราไปคบคนที่เขาชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมเขาจะคอชวนเราไปนี่เลย อยากไปคบกับคนที่ชอบเที่ยวเดี๋ยวเราก็ชวนเราไปเที่ยวท่านสอนั้นอาเซวะนาจะบาลานางังบันดิตานาาาันจารเสวนาเอตัมังกามมุตตมังการไม่คบคนพานกาครคบบั้งดุเป็นมงคลอย่างนี้คนพานก็คือคนที่เขาต่างกับเราในทางองินทรีย์นั่่ว่าเป็นคนทางยา้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 เราเขานั่งนั่งสมาธิได้มานละชั่วโมงเรานั่งอยู่สชั่วโมงหรือถ้าไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเพราะว่าจะตควแนะนานั่งแค่วันละชั่วโมงมันต้องสังเกตคนที่เราโบคัาสมาพนด้ยเขานี่ยที่คนต่อต่อตัวเราต่อการพึ่งตั เาขาหาคุบาร์จานนี้ท่านก็จะคุยแต่เรื่องนี้่านั้นคุยแต่ธรรมะตลอดคุยแต่เรื่องการปฏิบัติการตัดกิเลสแต่ไม่คุยเรื่องอะไรถ้าไม่คุยกับคนอื่นเดี๋ยวก็คุยเรื่องที่เที่ยวตรงนั้นดีตรงนั้นไม่ดีเรื่องสถานที่รับประทานนะตรงไหนอร่อยตรงไหนไม่อร่อยแล้วมันก็จะมีอิทธิพลต่อความคิดของเรา ถ้าเรามีถ้าเรามีเอ็นซีสูงกว่าเขาถึงแม้ก็จะพูดเราก็จะไม่ค่อยเกิดความยินดีเท่าไหมเป็นถ้าเราชอบไปวัดแล้วคนมาชวนเราไปเที่ยวเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะยินดีอะไรครับเราจะหาคนที่ชอบไปวัดคบกับคนที่ชอบไปวัด หรือไม่ใช่นั้นก็ไม่ต้องคบกับใครเลยก็ได้นักปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ต้องคบกับใครกลไดนอกจากครูบาอาจารย์ที่เราต้องพึ่งพาใส่ในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เราพระเจ้กาก็สรงต่ัสว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่เก่งกว่าเราหรือเท่าเราได้ก็ให้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปคบกับคนที่ด้อยกว่าเรา เราเขาจะช่วยเราลงต่ำ <c oughs> การอยู่คนเดียวนี้ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการปลี่ทิวเวกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการปฏิบัติต่อการจเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติดันั้นมีโอกาสที่จะเปลีทิวเวกได้ทลายเ ป, ปลี่ยนไปเลยอย่าให้ความรู้สึกนึคิดว่าเรานี่เห็นแก่ตัวนอนเข้ามา ยังไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่เราจะต้องไปรับผิดชอบถ้าในเราก็ต้องเราก็ต้องทําภาระหน้าที่ของเราถ้าเราทําภาระหน้าที่เราเลือกร้อยแล้วเรามีเวลาว่างที่เราจะเปลียตัวได้เราก็ปลี่ยนตัวไึท่มอยู่ในวันนี้ก็เวลามีภาระหน้าที่ต้องทำร่วมกันก็ออกมาทำร่วมกันเวลาปัดสักปัดฝันร่วมัน เวลเนกระบะถ้าทำร่วมกันแต่พอเวลาไม่มีจิตที่องทำร่วมกันก็เปิียตัวไปอยู่กลางสถานที่ของตนนหน้าสมาธิแสดงจงกร ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแ่น่ากางกาวแล้วท้ายมือไหรเนี่ยอยากขออธิบายข้นตอนนิดนึงขั้นตอนเจริญสตแล้วก็พิจารณาอะไรลูกขานาข้ย ก็คือให้จิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและให้ส่งความคิดไปกับเรื่องราวต่างๆเราอยู่ตรงไหนก็ให้เรา่างกายเราอยู่ตรงไหนก็ให้จิตของเราอยู่ตรงนั้นเื่อเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็ให้อยู่กับการกระทันให้ลอดรู้อยู่กับการกระทันเมื่อเรากำลังเคีย่อนสือก็ให้อยู่กับการเคลื่นอนไหว กำลังรับประทานอาหารจะให้เประการรับประทานอาหารไม่ใช่รับประทานอาหารแล้วก็คุยกันแล้วคุยกับตัวเองถ้าไม่ได้คุยกับคนอื่นก็คุยกับตัวเองอย่านั้นก็เป็นเหมือนกับไม่มีสิทธิไม่ต้องคุยกับตัวเองให้ให้ให้รู้ว่ากําลังรับประทานอาหารกําลังตักข้าวกาลังเคี้ยวกาลังเกินให้อยู่ตับเหตุการที่กําลังเกิดขึ้น อนี้เป็นการมีสติถ้ากำลังเดินก็ให้ให้รู้อยู่ากับการก้าท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้รู้ท่ า, า, ท า, า, ท า, าทนี้อย่าไปเดินแล้วก็คิดถึงว่าจะเดินจะทําอะไรข้างหล่างจะทําทอะไรเลือกทุ่งอะไรทุ่งขวางมาอย่าไปคิดเรื่องต่างๆควาไม่จาเป็นจะต้องคิดแต่ถ้าจำเป็นจะต้องคิดว่าในในในเรื่องต้องนี้จะให้หยุดเดินก่อน แล้วคิดให้พอหรือกาลังทําอะไรอยู่ก็ให้หยุดหยุดทำกำลังรับประทานอ า, นานหารก็หยุดรับประทานอาหารครับแล้วก็คิดเรื่องที่ต้องการคิดคิดให้เสร็จคิดเสร็จแล้วก็กลับมานอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่อย่างนี้ก็จะมีสติเวลาคิดก็ให้มีสติอยู่กับความคิดนะพอหยุดคิดแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ ถึงถ้าใจเรามันไม่ยามอยู่เราก็ให้มันอยู่กับความคิดที่ลที่เป็นคำก็ได้เป็นให้าัรอยู่กับพุทโธไปรับประทานอะไรไปกพุทโธไปอย่างนี้ก็ได้รับประทานใจก็พุทโธพุทโธพุทโธใจภายในใจอย่าให้เกิดเครื่องเงื่อนหรือจะสวดมนต์ใจภายในการก็ได้ัวก็สวดใดก็สวดหนึ่งก็ได้ที่เราทำได้ ถตงไปน้าก็ให้อยู่ก่อนไม่มต้องไปอยู่กับการสว่ถ้าจะสวนนี่มันคือมันก็นัง่งเฉยๆมันจะนดูป่าต้งไม่ทำอะไรถ้าจะทำอะไยก็ก็ใช้ชุดโทไปก็ได้แต่ก็ยังจะทำสองอย่างนี้่อย่าง น, นก็ยังดีแบบปอยให้ติดขึนเรื่องต่างๆถ้าจาเป็นต้องทำ แต่ใจันยังย wow. like. ังต like. ah ิดอยู่ก็ใช้ใช้ทุกเถือนไล่พาคิดไปให้มีแต่ทุดเธอ่อยในการทำงานอย่างนี้ก็ก็ยังมีสติเลยหลักก็คือให้ใจนี้เป็นปัจจุบันให้ใจอยู่ที่นี่อยูนี้อยู่ตรงนี้เราร่างกายอยู่ตรงไหนก็ให้ใจอยู่นั้ อันนี้เเรียกว่าเียปิแต่ส่วนใญ่เรามักจะยกกันนั่งไกอยู่ตรงนี้กับการเราไปอย่กรุงเทพไปอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไปอยู่กับคาพูดของนักพที่เขาเพิ่งพูดไปนี่เพื่อจากครูนี้ทงนี้นแสดงว่ า, าเราไม่มีปกติเพราะคำพูดที่เขาพูดนี้มันก็ผ่านไปแนละ้วมีนเป็นอดีตแล้ว เรยัางตะกาะคืออยู่กับอดีตเราไม่อยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้คำพูดถ้าเขาพูดตามมันก็หายไปแล้วถ้าเราอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราไปคิดถึงคาพูดเยู่ที่เขาพูดอยู่นี่พสดงว่าเราไม่อยู่ในปัจจุบเราไปแนวอดีตเราไม่ปล่อย ว, วางเราไปคว้าไปยึดไปติด ก, กับอดีตหรือไปคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบัน ถ้าไม่อยู่ในปจิบันก็ไม่ถือว่าู่สติถ้าจะมีสตินี้ต้องอยู่ในปฏิบัตการแต่เวลาเวลาพิจารณาปัญญานี่จำเป็นจะต้องพิจารณาทั้งอดีตทั้งปิบัติก้งอนาคตจิตปีจิตจเป็นปฏิบัติอยู่กับความพิจารณาอาจารย์คือ ปัจจุบันนี้กําลังคิดอยางเงียเรื่องอดีเรื่องปัจจุบับนเรื่องอนาก็จะดูภาพรวมเพื่อดูร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วจะต้องแกต้องเจ็บต้องตายจะต้องสลายกับครื่องเสวยในน้ำลมไฟเรื่องเราพิจานณาทังอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนงาคตแต่การพิจารณา น, นี้มันเป็นปัจจุบันนํามีปฏอโย่การพิจารณน เวลาการเจริญปัญญานี้จะต้องที่จะมทั้งอดีตทั้งปัจจุบนนันและอนาคตเพื่อจะได้เห็นภาพคือความไม่เชื่องคามเปลี่ยนแปลงอนิจจังแต่เวลาทำตมาทคือจะต้องอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียทั้งอยู่ะคบพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่างนี้กิตเห็นจะมึนเห็นจะเป็นขณะที่ได้ แต่เราจเจรกันอย่างนี้ไม่ต้องการความนี่ต้องการความรู้ต้องการเหินกายรักเห็นไอน ม, มจจังทุกขงังอนัตตาก็ต้องพยาขยาขยาความนิ่เปรียบเทียบเช่นดูร่างกายเรามันนิ่งร่างกายเมื่อสิบปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไรหรือร่างกายที่จะเป็นต่อไ ป, ปอีสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า อย่นี้เพื่อที่จะเห็นภาพของความไม่เที่ยงของร่างตางต้องพิจรารณาถ้าการเจริญปัญญาแล้วจะจะไม่สนใจกับเรื่องของความนิ่งร่างกายความก้าวจันทร์ต่างๆเห็นชาติเห็นกายวะ ก, ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบทุกแบบทุกตัวนเป็นพิจารณาทุกเปนทุกเพราะอะไรร่างกายทุก มันก็ทุกข์อย่างทุกตามสภาพของขังคือเขาก็ต้องเจ็บต้องปวดตรงนี้อันนี้เป็นทุกทางกายเหตุทุกข์ทางใจก็เกิดป่วยใจที่เราไปไม่ชอบความทุกข์ทางกาความทุกข์ทางใจนี่เราแก้ได้เราดับได้ถ้าเรายอมรับความทุกข์ทางกาเจ็บก็เจ็บไปเิอะปวดก็ปวดไปแก่ก็แก่ไปตายก็ตามไปถ้าอย่านี้ทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิด แต่ถ้าไม่ยอมรับกลั ว, ก ล, วกลัวความเจ็บทางล่างกายทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นมาเชนนั่งไปแล้วเกิดความเจ็บตรงตรงบางส่วนของร่างกายพระอา จ, จกการยก็จะเกิดอาการกระสับกระสานกระวนกระวายไม่อยากอยากจหนีจากความเจ็บนี้ไปไม่อยากให้ความเจ็บนี้หายไปอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกา์ใจก็ปล่อยไม้เปนมีเกิดก็เกิดไปเราทำอะไรยู่เราก็ทําต่อไปเรานั่งบริทําทุทโธแล้วก็บริทําทุทโธต่อไปอยากจะสนใจความเกิดเมื่อเราคุยเรื่องเสียงเสียงขีดห้าวที่ดังจะตายแต่เราไม่สนใจความลม่เกิดความายเพราะเราไม่ได้สนใจเขาจะจองเสียงดังอะไรก็ปล่อยก็ฝ่าเสียงไปเพราะเราไม่ได้ไป จะยืนดียืนยาวกับเขาถ้าเราอยากจะให้เขาหายไนให้เขาเงียบไปเนี่ยเราก็จะเกิดความกระสับ ก, กระสานตะวนตะวจะทํบควาไม่สบายใจขึ้นมทุกมันมีสองส่วนทุกนอกใจและทุกในกใจทุกนอกใจนี่ต้องปล่อยไปตามทางจริงทุกที่เสียงนี่เว่ามันทุกข์กันได้ถ้าเรา แต่ถ้าเราใจเราไม่ไปรังเกียเขาใจเราต้องไม่ทุกข์กับเขาแต่เขามารบกวนรบกวนการพัฒนาทำให้การฟังเรียนลำบากขึ้นมาในนั้ก็เป็นทุกข์ถ้าเรายอมรับทุกข์ภายนอกทุกข์ภายในก็จะไม่เกิดถ้าเราไม่ยอมรับทุกข์ภายนอกจังทุกข์ภายในใจก็จะ เ, เกิดขึ้นมาเ่นนี้ไม่ยอมรับความร้อน ร้อนเเกินทนไม่ได้วัน <Ừ. S 1> นี้ก็จะเกิดความทุกข์ภัยในใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับความร้อนได้ร้อนต่อร้อนกั น, กนกเหนื่อยต่าก็ต่าต่าใจก็จะไม่ร้อนนี่คสิ่งที่เราทําได้และคือเราดับทุกภัยในใจได้เพราะทุกภัยในใจเกิดจากความอยาก<ม>เกิดจากความยืนดี น, น้อยกับทุกภายนอก ตัดจบทุกภายนอกถ้าเราไม่ไะยึดมีน้ำกับจบทุกภายนอกายของเราก็จะไม่ทุกข์กก็จะไม่มีความทุกข์เนื้อต้งหมายของการปฏิบัติของเราอยู่ที่การดับทุกภายในใจไม่ได้ดับทุกภายนอกแต่ทุกภายนอกใจ น, น, นี้ดับไม่ได้เพราะมีเหตุมีตั้งใจเช่นเวลาเกิดเป็นไข้หวั อ, อย่างร่างกายปวดระเบิดไปทั้งตัวนี้ ไป่ฟังท the <snow> ักเขาไม่ได้ก็ต้องให้เขาแสดงอาการเขาไปจนกว่าเขาจะหมดทธพอเขาหมดฤทธิ์้ะเขาก็หยุดเขาก็หายไปเถ้ากิยาก็จะหาเร็วหมือยถ้าไกิยาก็หายาหน่รจจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีความยืนยัยิน้อยู่ม่ไม่ยืนยันิ่รากับพืชภายนอก ก็บก็เจ็บตปวก็ปวตายนักรู้เงินตายตามสภาพความเป็นจริงเท่านั้นก็เย็นสบายการปิบัติก็ต้องการความเย็นสบายในในี้เท่านั้นจะเย็นสบายใจในใจได้ก็ต้องไม่ยืนดูร้อนกับกงทุกอย่างภายนอกใจต้องปล่อยวางให้ได้ก็ดีครันเนี้ย กระจายนะเกษตรทงปัญญาเพื่อนไอ้มีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังมั้งลอยวางได้บ้างน้อยเพื่อนเรับอะไรได้บ้าง ยังเหมือนเดิมเลยเอถึงต่กนได้บ้างรืองบทนียุวันทาน่าจะเถึงแต่ก็ได้บ้างบางท่านี้เราก็เลือกได้เอาชวันไหนที่เราสะดวกก็ได้ไมจำจะต้องการกระุกทุนวันหนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาทุกวันอาทิตย์เลยก็เอาทุกวันน อันนี้ถึแต่เนอะมันธรมนนราามาก็ถึงมากามัุบันก็ถึงมาแล้วก็ภาวนาให้มากขึ้นเป็นั่งวนทุ่มงก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสองเป็นสานมถึงแต่ให้มากขึ้นอย่ายืนอย่ายือยู่ที่เดิม อ, อยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้าต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ต้องกับความสุขทางทางทางตาหูจมูกมือกายเอาเวลาที่จะไปดูเทวทัพนั่งนั่งชนะทฟังธรรมะเราเวลาที่จะไปเที่ยวไปปฏิบัติธรรมในแทเชนหยุด3ามวันเนี later, ่ยเดี savage, ๋ยวสุดน่าสุหน้าก็วิสาขะสุดเจ้าที่แคาาคนชาติเที่ยวก็บินไปฮ่องกงนะไปญี่ปุ่น เราก็เราก็เดินเข้าวัดจะไ้อยู่วัดท้าสามวันต้องทำอ่ถ้าเราไม่มลังคับปล่อยไปตามเหตุการณ์ปล่อยไปตามคนนั้นคนนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนเราต้องกำหนดทางของเราเองทางนี้ไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่ ถ้าเรารอให้ตัวเองมาชวนไม่พาเราไปเราจะไม่จะไม่มีใครมาชวนและพาลราไปเราต้องชวนตัวเราเองพาตัวเราเองไป ก็ไปให้ท่านอยู่ให้ถ้าไปให้ท่านชมไปทําำไมท่าไม่ชมหรอกไปก็ผิดหวันงถ้าคิดว่าไปท่านอยู่ก็จะจะสมใจการดูนี่แหละเป็นการให้ธรรมะแรกๆเป็นการเคี่ยวตีเราเป็นการให้ธรรมะ คนที่ปรารถนาธรรมะนี้จะต้องยินดีกับการดุด่าว่าการตักเตือนต้องยกมือขึ้นสาธุอย่างเดียวสาธุสาธุเยวจะทำต่อหน้าท่าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลาตั e s <S ้งที่ว่ารองของเดี๋ยวจะตีหนักดูหนักขึ้นกับเาเวลาคูบากาจาร์ก็ดูดาว่าการนี้ก็ต้องนิ่งอย่างเดียวความทำาจนิ่งขั้นใจฟังไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเป็จสศึที่ดี เราฟังแล้ว เ, เกิดอารมณ์ขึ้นามาแสดว่าแพ้เกลียรับธรรมะของท่านแสดาถ้าเราดีศรัทารับท่านเป็นอาจารย์นวเราต้องรับทุกอย่างดีไว้ชพื่อชมมื่อิยืนทาง ส, สังเับเรื่องยืนทางนี้เราต้องรับหมด ถ้าเราจะเลือกแต่ำทำชมทำนักทำนักเส้นนี้ก็แสดว่าเราไม่ได้รับก า, ารจัดการนะเวลาอยู่กับอาจารเนี้ก็ต้องถือชีททอ้ที่ง่ายถือชี้ถ้าจะฆ่าเราก็ให้ท่านฆ่าเราท่านเคยจะดูเราท่นี้ทุกกลัวอะเรต้องต้องชิดอย่างนี้ ท่านยังไม่ตีเราเลยถ้าท่านตีเราล้วท่านยังไม่ท่าเราถ้าท่านท่าเราก็เราก็คือที่ถวายให้ท่านอยู่แล Yo, ้วถคิดอย่างนี้เราอยู่กับท่านได้ท่านชมหมาแต่ไม่ชมลูกนั่นแหละมาคงดันท่านชมหมาานท่าต้องการเคลื่กายให้ลดูเะท่ดูว่าหมาไม่รู้เรื่องใจ ถ้าไม่รู้ว่าเวลาชมใครแล้วคนนั้นจะเสียชมต่อหน้าคนนั้คนนั้นจะเสียเพราะคนนั้นจะหลงเละแดงในโดยปกติท่า น, นจะไม่ชมชมต่อหน้าถ้าเราจะชมเวลาที่ไม่ได้หลงต่อหน้าแล้วถ้าอยากจะพูดถึงเราบ้างแต่น้อยมากที่ท่านจะชมเพราะว่าเรายัางมีเรื่องที่ที่ต้องจำนีกมากกว่า การชมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรามันไม่ทําให้เราเอาพัฒนาให้สูง ข, ขึ้นแต่การตำหนิมันเป็นการที่คมซักข้อดีแี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขก็เป็นเหมือนการที่คุณซักให้แล้วพอเราแก้ไขแล้วสิ่งที่มันเป็นตนําหนิสิ่งที่ไม่ดีในตัวเรามันก็หายไป พอหายไปแล้วเราก็มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นไปก็เป็นทรักขึ้นมามากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นไปก็ เ, เป็นทรัพย์าดนนแล้วการถูกตําหนี้ถ้าท่านตําหนี้แสดงว่าท่านเมตตาถ้าเห็นว่าเรายังยังสงเคราะห์ได้ยังยังเรื่อหนูได้ถ้าท่านไม่จาหนี้่านไม่อะไรเลยเนี่ยแสดงว่าท่านตาดทางแลท่านไม่สนใจ ที่เราไปก็ไปเพื่อให้ท่านมาสอนเราการตาําหนึ่งเราเนี่ยเป็นการสอนเราตรงเป้าที่สุสดเวลาท่านตําหนึ่งอะไรแล้วเราเราต้องพยายามอย่าให้ท่านตาําหนึ่งทำเป็นทางที่สองเดี๋ยวทำผิดแล้วรู้ว่าผิดแล้วต้องแก้ ท, ทันทีต้องไม่ทําอย่างนี้ ท, ทันทีต่อบ ต, ต่ถ้าท่านงานต้องมามามาตามํ า, า, าหนึ่งมำเวลาทำหนึ่งอะไแสดงว่าเรา หรือไม่มีสติปัญญาก็าจะทำให้ท่านเห็นว่าไร้ประโยชน์อย่างที่ท่านช่วยว้าเหมือนเทน้ำใสหห่หลังหมาเหรอเจอแล้วมันก็สลับขึ้นเจอไปเถ้าไหรงก็เทน้ำไ ป, ปต่อๆถ้าทำหนเรื่องนี้แล้วก็ยังต้องมาทำหนี้อีกหรือต้องอย่างไเสียเวลา ตอนตายก็ไม่เกิดเองไม่พัฒนาไม่เกิดแรงจังเลยในเวลาที่อยู่กับครูบาจาย์ต้องพร้อมที่จะรับการตัณฑ์พร้อมที่จะรับการลงโทษทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามบางทีต้องจะเขยเลยเราบางทีต้องจะว่าเราตัณฑ์เรา หรืออะไรก็ตามกิดมันเป็นการลงโทษเราเพื่อให้เรามีความสำเหน็ยในการที่เราในความผิดของเราเพื่อเราจะได้แก้ไขจะได้พัฒนาตัวเราให้ให้เสรขึ้นให้ดีขึ้ น, น, นอย่ากลัวการปนิตว่าการตักเตน เ ป, เป็นของดีพอเราได้ยิบได้ดีก็าการถูกว่ากล่าวตัดเกลียวเองถ้าไม่ร่างว่ากาวตัดเกลียวแล้วมักจะเสียคนงพ่อแม่ที่ไม่ว่ากล่าวตัดเกลียวลูกๆแล้วลูกจะโตขึ้นมาแล้วจะเสียของจะไม่รู้ถูกผิ ด, ดีชเพื่อแต่พ่อแม่ที่คอยว่ากาวตัดเกลียวสอนลูก เรื่อยๆเนี่ยจะโลกจะเป็นคนดินถ้าเที่วฟังแล้วนำไปปฏิบัติถ้าไม่เชื่อฟังแล้วไม่นำมาตฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้ว่าค า, าตัดเตือนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเวลาเราไปศึษกษาจากคุบาการถ้าร่าค า, าตัดเตือน เ, เราก็ต้องน้อมเข้ามารับเข้ามามาปรับปรุงแก้ไขตัวของเรา ให้ดีตามที่ท่านสอนพราเราดีแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยู่คับูบาลกันถ้าเราคิว่าเราดีแล้วท่านําเนี่ยาไม่ได้นะเราก็อย่าไปอยูของท่านท่านก็ไม่รับเราท่านดูแล้ท่านจะรู้เราว่าเราดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องหนู่ของท่าน มีคนมาใหม่ยังะทาเลยไนหะมเรือถวายของวันไ ม, มา่ได้พนะ่าที่สิบวันเนี่ยตัดต้องนะครับอาจารย์ไปพรานทันจุดไฟสุดไแจกงหม เมื น, นี้ลูกได้ได้แผ่มเมตตาจริงๆรหนึ่งครั้งแต่ก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่มาแล้ว <laughs> คือคือคราวนี้ลูกเอารูปรู ก, กอสุภภาไปด้วยอาจารย์อาจแล้วก็พยายามจะดูแล้วตอนหลังก็ไม่อยากเปิดพอปิดเราก็ไม่อยากเปิดก็เลยเปิดทิ้งไว้เลยก็พอเดินผ่านก็ดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตอนหลังๆก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า อยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาได้ว่านี้ไม่ใช่รูปภาพนี่เป็นคนเคยเป็นคนเหมือนเรามาก่อนอแล้วก็เกิดเ อ, อรู้สึกสลดสังเวชว่าเขาก็เคยเป็นเหมือนกับที่เราเป็นก็รู้สึกว่าเราเราไม่สมควรที่ที่เราเหมือนกับเดินผ่านใต้ายผ่านมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกก็ก็ยืนไหวเสร็จแล้วก็นึกว่าก็ยังไม่สมควรก็นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วก็ก็ไหวแล้วก็วก็ แผ่เมตตาว่าที่เคยเทำบุญกุศลอะไรก็ขอแผ่เมตตาที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เราแต่เก็กล่าลงเพอกลาบลง ก, ก็เกิดผลลุกแล้วก็เกิดความรู้สึกในความสุขมากว่าว่าว่าในความสุขกับการที่เรารู้สึกอย่างนี้แล้วค่ะก็มีความรู้สึกอย่างนี้ไปแล้วพอหวนนึกก็รู้สึกอย่างนี้ไปอีกประมาณสี่ห้านาทีตอนที่เดิจงกร็ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า เออเราเป็นคนที่เจ้าโทสะถ้าเกิดว่าแม้แต่ครั้งเดียวสามสี่นาทีนี่มันก็มีความสุขได้ขนาด น, นี้เนี่ยถ้าโทสะมันลางไปได้เนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนหกหตน็ตอนตอนนัขนาดนั้นก็ก็รู้สึกแบบนี้ก็แต่หลังจากนั้นมันก็ไม่สามารถตั้งใจให้เกิดขึ้นมาได้แบบนั้นอีกมันเหมือนมันต้องเกิดขึ้นมาเองนั่ก็ยพยายามพิจารณาไปเรื่อย เอาเอาเางั้นมาเป็นเป็นเป็นรูปแบบแล้วพิจารณาซ้ำมาซ้ำชาติแบบนั้นได้เรื่อยๆพิจารณาตัวเราตัวพิจารณางคนที่ยังไม่ตายว่าเขาก็เป็นเขาก็จะต้องเป็นแบบคนที่เราเห็นในภาพนี้ทั้งเขาและทั้งเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมากดมาเกี่ยวกันทำไมไม่ใช่ในปัจจุบันต่อไปให้มันเป็นมืนก็เป็น เราได้เราได้ตัวอย่างมาคือเราต้องเอาตัวอย่างนี้เข้ามาฟังอยู่ในจิตในใจเราให้คงอยู่คงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะสามารถดับความโกรธต่างๆได้เวลาเกิดความโกรธขึ้นมาค่กันครับเมื่อ มากราบท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะรได้อธิบายอันนึ่งซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ลูกฟังค่ะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าท่านจะได้เมตตาที่เ้าบอกมากก็ได้มากราบท่านแล้วได้พูดถึงเรื่องหลวงตาที่การเจ็บป่วยแล้วท่านท่านอาจารย์ได้ที่ได้สอนเขาว่าสังขารของพระอริยะเจ้าที่ท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นแล้วท่านไม่ไม่ต้องมีความกั ง, งวลกับตรงนั้นยังไงแล้วก็ต่างกันกันกบเอ่า สังขารของของคนทั่วไปยังไงเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านาจารย์ม่ตาอธิบายตรง น, นี้ซ้ำได้ไหย<ม>คะพี่จะเขาครับไม่ให้ท่านไม่ให้เขาเกิดเป็นกังวลตอนนั้นรู้สึกตอนที่เขาเล่าเนะี่ยลูกจับใจมาก<อ>แต่ว่าคิดว่าเขาอาจจะอธิบายไม่ไม่ไ ม, ไม่เหมือนที่<ช>ท่านจารอธิบายคิดท่านอจาย์อธิบายคล้ายๆว่าอย่าไปห่วงการที่ท่านฉันน้อยหรือฉันมากเนี่ยท่านมีวิธีของท่านแต่ว่า ทางตรงนี้จ้ไม่ได้เขาเรียนอย่างน้าถามท่านว่าถ้าท่านอาจารย์หลวงตาไม่ฉันเลยแล้วเขาก็เป็นทุกข์ว่าท่านไม่ฉันแล้วท่านก็เลยบอกว่าอย่าเป็นทุกข์เพราะว่าในระดับของคนอายุขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะภาริยาเนี่ยท่านจะรู้ว่าการฉันหรือแท่ไหนแล้วจะเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องเปกังวลตรงนั้นตอนนี้ นนท่านจากอธิบายให้ง ว, ว่าแต่ซึ่งมันจตต่างกับคนธรรมดาอย่างไงในการที่การการกินในระหว่างที่ตอนอายุมากเยอะจะไม่เหมือนกันแล้วมันมีโทษยังไงคือจิตของคนที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่มีความอยาจะไม่ไปบังคับร่างกายจะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความพอดีของเขา เวลาร่างกายมันต้องการมันจะแสดงอาการบอกว่าต้องการมันก็จะรับประทานอาหารเข้าไปได้มากแต่เวลาที่มันไม่ต้องการมันก็จะแสดงอาการบอกว่ามันไม่ต้องการมันก็รับเข้าไปได้นะ้อยแล้วขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นก็มันก็อยู่กับนั่นแหละความต้องการของร่างกายในขนาดนั้น <c oughs> ในเวลานั้น <c oughs> แต่ท่านจะไม่ไปฝึกไปบังคับเหมือนคนที่มีกิเล คนมีกิเลสนี่ต้องกินถึงแม้จะไม่อยากจะกินก็ต้องกินเพื่อจะได้อยู่ต่อไปได้เี้ย <Yeah. S 1> แต่ถ้าไม่มีความยึดติดกังวลอย่างนี้ะถ้ามันไม่กินมันมันมันรับไม่ได้ก็ไม่เป็บังคับ <Yeah. S 1> ถ้ามันจะอยากจะคือธาตุการเนี้ยมันมันอยู่ในสภาพที่รวมกันแล้วแยกกันตลอดเวลา ส่วนที่รวมกันก็ถ้ามันมีกําลังมากกว่าร่างกายก็จะดูดาธาตุภายนอกเข้ามาได้มากกว่าแต่ถ้าส่วนแยกมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะรับส่วนภายนอกเข้ามาได้น้อนกว่านะหมาถึงว่าแต่ของท่านแยกกันอยู่ตลอดเวลาใช่ของทุกคนอ่ยเหมือนกันหมดร่างกายของเราทุกคนเนี่ยเวลาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะรวมกันมากกว่าแยกมันถึงเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว ม, มันจะดูดเอาซับเอาธาตุต่างๆจากภายนอกเข้ามาตลอดเวลาเด็กนี่กินได้มากว่านเท่าไหร่ก็รับได้หมดเพราะจากนั้นธาตุมันภายในมันต้องการเดินธาตุภายนอกเข้ามา <S S S <c oughs> แต่พอมีอายุมากนั้วธาตุภายในนี่มันเริ่มอยากจะออกแยกออกจากกันมากกว่าอยากที่จะรวมกัน <c oughs> มันก็เลยเกิดการเสื่อมขึ้นมาถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติร่างกายเราจะพร้อมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปฝืนบังคับกินเน คนแก่บางคนที่เขามีมีรูปมรปีร่างกายใหญ่โตเพราะเพราะเขาบังคับเปินมันมากสำหรัที่ไม่ชอบกินก็บางทีก็กินเข้าไปมันก็เป็นการใช้พลังจิตบังคับให้อดูดเอาธาตุเข้ามาไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะของธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติของเขาสําหรับคนที่ไม่มี ปัญหาทางด้านจิตใจคือจิตไม่มีความอยากจะอยู่และอยากจะตายก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของธาตุถ้าธาตุอยากจะดูดธาตุภายนอกเข้ามามันก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะรับรับประทานมากมันก็รับประทานมากถ้ามันถ้ามันอยากจะแยกออกจากกันมากกว่ามันก็จะไม่ต้องการที่จะรับธาตุใหม่เข้ามามันก็มันก็จะไม่เข้ามา คนที่เข้ามาก็จะเสื่อมลงช้าถ้าเมื่อแยกกันแล้วก็น่าะเพราะมันถึงสภาพที่มันจะไปสู่ธาตุเดิมกันธาตุที่มารวมกันนี่มันทุกวันมึงก็ต้องไปกันคนละทิศคนละทาังนั้นคนที่มีอายุกลางคนขึ้นไปเนี้ความเสื่อมจะมีมากกว่าความเจริญการรวมของพลังที่จะดึนธาตุไว้ให้รวมกันนี่มันอ่อนกว่าพลังที่จะแยกธาตุออกไป ราการมันก็จะค่อยๆเคื่อนลงไปเรื่อยๆมีพรยสงฆ์ท่านเลยเมตตากังวลการแยกของท่านท่านก็ปล่อยตามธรรมชาติตามธรรมชาติถ้าฉันได้ก็ฉันถ้าไม่ฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันไม่เป็นปัญหาเพราะจิตของท่านไม่เดือร้อนไปกับร่างกายกันแยกจิตของท่านแยกร่างกายเหมือนกัร่างกายให้เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ถางน้ำมันมันหดตัวลงไปเรื่อยๆเข่าใจไหม เวลาเติมน้ำมันเมื่อก่อนนี่เติมแม่ทีละห้าสิบนิดหนี่งทีนี้ลดเหลือสี่สิบ้างเหลือสามสิบ้างเหลือยี่สิบ้างถังน้ำมันมันเดียวลดลดลงไปเรื่อยๆก็จะเติมน้ำมันเข้าไปได้ทั้งน้ำไม่มากก็ท่านั้นเองมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องที่ต้องค่อยๆค่อยๆย่อยสลายสลายไปแยกออกจากกันท่ามกลาแยกออกัน แต่พวกเราที่มีกิเลสเราจะไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลเรามีแต่ความอยากอย่างเดียวอยากจะให้อยู่ถึงสองปีสาม้อยปีซึ่งมันไม่ไดเ้เป็นไปตามความจริงของของร่างร่างกาย ร, ร่างกายของปุทุชนกับร่างกายของพระอรหันต์นี่ไม่ไม่ต่างกันเป็นธรรมชาติชนิดเดียวกันแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดติดทะนั้นที่ต่ำ จิตของพระอรหันต์จะยึดไปติดกับร่างกายส่วนจิตของภูตชนนี่ยังยึดติดอยู่กับล่างกัยยังเกาะยังหวงยังหวงยังเสียดายเหว่ยงจะต้องพยายามดึงเอาไว้รักษาวไว้ให้ได้อย่างเต็มที่แต่จิตของพระอรหันนี่จะเฉยเฉเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นการแบ่ภาระมากกว่าภาระาเอาวเป็นจากขัทาง มีร่างกายก็ต้องมีภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตก็สบายหมดห่วงเหมือนคนที่มีลูกกับไม่มีคนที่ไม่มีลูกคนที่มีลูกก็มีภาระกับการเลี้ดูลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็สบายไม่ต้องมามีภาระเลี้ยงดูร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนลูกของจิตนะครับ เนตุก๊กตาตัวหนึ่งที่จิตจะต้องคอยดูแลรักษาคอยแบกคอยหามไปตามสถานที่ตา่างๆพอยิ่งแก่ ying มากเราสังเกตดูเวลานอนแล้วลุกขึ้นมานี่เหมือนเหมือนกระท่อนท่อนก้อนหินเนาดึงร่างกายขึ้นมาจากพื้นหน่อยเน <laughs> สนหนักเนะ <laughs> <laughs> เป็นภาระ แต่ท่านยอมถ้ายินดีกับภาระนี้เพราะว่าท่ า, านเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้ให้แก่ให้แก่สัตว์โลกยังยังสามารถใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ท่านก็ยอมแบกพลังนี้ไปแต่ท่านจะไม่ทําเกินธรรมชาติของร่างกายหรือถ้าร่างกายธรรมชาติของเขาเขาต้องการจะหยุดก็ต้องถ้าไปฝืนนี่ก็ยิ่งจะทำให้ เสื่อมยังไเก่าๆมันกอันนี้ก็ไม่ทราบไม่ทราบฉันว่าจะจะเสื่อมก็ไม่เสื่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดยึไไดครองเลยเป็นแ่ตามหลักธรรมดาคนนเองอาจะอยู่ได้จะอยู่แบบเหมือนกับเหมือนกับคนที่นอนอยู่บนเตียงนี้แล้วก็มีสายยา ง, งต่างๆให้อาหารให้อากาศอยู่แบบนั้นมันก็ไม่ได้ทำปะเะโยน์อะไร เราเหมนกับว่าเราเราเราใช้พลังภายในเพื่อที่จะอัดธาตที่มันอยากจะแยกให้มันกลับเข้าไปเพราว่าแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมแล้วพยายามอัดไฟเข้าไปอมันก็มันก็ไม่เก็บแล้วมันก็เก็บได้บ้างได้บ้างแต่มันไม่สามารถที่จะเอามาทําประโยชน์อะไรได้ก็เพียงแต่เรามีนร่างกายให้คนที่ แยังติดอยู่กับร่างกายได้เห็นได้กล่าอยู่เช้าเหมือนกับบางวัดนี่อาจารย์ท่านตายไปได้ยังไม่ยมอมบรรพาวเขาใส่ลงแก้วไว้เ อ, อย่างน้อยขอให้เขาได้เห็นร่างของท่านเขาก็ยังรู้สึกว่าท่านไม่ได้จากเข้าไปแต่ความจริงองค์ท่านนี่คือจิตของท่านไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นเพียง เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ติดต่อกันคนที่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถติดต่อกันได้คนที่ไม่มีมือถือก็ไม่สามารถติดต่อกับคนที่มีมือถือได้จิตที่มีร่างกายก็สามารถติดต่อกับจิตที่มีร่างกายได้จิตที่ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถติดต่อครับจิตที่มีร่างกายได้นอกจากจิตของผู้ที่มีร่างกายนี้มีพลังจิตพอที่จะติดต่อโดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นสื่อ เี่นเวลาเข้าสมาธิแล้วก็เห็นพาาาระอรหันต์มาเทศมาสอนธนาธรรมได้อย่างนี้นปู่ม่านเวลาท่านเข้าสมาธิจิตของท่านมีพลังพอที่จะสามารถติดต่อกับพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าได้จิตขอพุทธเจ้าจไม่ไดตายไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เราไม่สามารถเราไม่มีเครื่องมือที่เะท่านไม่มีเครื่องมือที่จะมาติดต่อกับเราเครื่องมือของท่านมันพังไปแล้วโทรศัพท์ของท่านมันเสียไปแล้ว จถ้าอย่างนั้นสัวร่างกายอยู่นี้แล้วปั้มหัวใจไว้ไปคานั้นจิตออกไปยังไงถ้าร่างกายยังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่จิตยังไม่ต่ยยังไม่ตายจะปั้มหัวใจอยู่จิตก็ถือว่าถ้าร่างกายยังยังยังยังไม่ตายก็จิตก็ยังอยู่แต่อยู่ที่อยู่ที่สภาพของร่างกายว่าจะสามารถสื่อกับคนที่ คนอื่นได้หรือเปล่าเช่นร่างกายยังหายใจอยู่แต่พูดไม่ได้นอนอยู่ในโคลมาอย่างนี้คจิตก็ยังอยู่แต่จิตไม่สามารถใช้มือถึงได้มือถือไม่เสียคือไม่พังแต่ว่าโทรออกไม่ได้รับสายไม่ได้สจิตอยู่ติตอยู่แต่เราติดต่อท่านไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้แล้วจะ ที่ไม่มีพลังก็ยิ่งไปสื่อสารได้ไม่ได้เล ย, ถ, ย ถ, ถ้าจิตที่มีพลังเหมือนกันเพียถ้าจิตจิตที่มีพลังด้วยกันเลยจะสื่อสารได้ไงคุณแม่แก้วก่อนน้องปู่ม่านนี้ น, น้วงปู่ม่านมาแจ้งก่อนในคืนนั้นว่าท่านได้เสียแล้วคุณแม่แก้วรู้ก่อนที่คนอยู่ในหมู่บ้านจะรู้คนในหมู่บ้านมารู้ตอนสายมีคนมาส่งถาวบอกแต่ท่านรู้ในายามเด็กเลย เพราะจิตของท่านมีพลังพอที่จะติดต่อจิตกับจิตโดยตรงไม่ต้องผ่านมือถืออย่างพวกเราไม่ต้องผ่านมือถืออย่างยโยมกับอาตมาจะคุยกันนี่ก็ต้องมีร่างกายถึงคุยกันได้ถ้าเกิดร่างกายของคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้นอกจากจะติดต่อโดยตรงทางทางกระแสจิตนั้นจิตไม่ตายแล้วว่า เิตนี่แหละเป็นตัวองค์แท้ของท่านแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านร่างกายเป็นเพียงเครื่องมา้าเครื่องมือสื่อสารเทราะนั้นเองร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่เจ้าของโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นอะไรนกับร่างกายแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เท่านั้นเองเวลาเราตาย ก, ก็เหมือนเ ร, เราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ ได้เครื่องใหม่มิจะได้ได้รุ่นดีกว่าเดิมงั้นมัน ก, ก็ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของเราถ้ถามีเงินมากก็ซื้อของดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ต้องซื้อของที่มันสู่ของเก่าไม่ได้ก็คือบุญนี่แคือฐานะการเงินของเราถ้าเรามีบุญมากเราก็จะกลับมาเกิดได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่ามีสติปัญญาศรัทธานเรื่เพิ่มมากขึ้นกันอยมาก ปฏิ บ, บัตธิธรรได้ถูงขึ้นไปกว่อเก่าดังนั้นบุญทางหลายที่เราทำอะไรนี่มันไม่สูงเนี่มันจะเป็นเป็นเงินที่เราสำหรับที่เราจะได้ซื้อพบชาติที่ดีต่อไปเพื่อเราจะได้ปฏิ บ, บัตธิธรรมให้ได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับไม่เราเสียดายไม่ต้องเสียดายเงินทองไม่ต้องเสียดายเวลาไม่ต้องเสียดายความสุกขแล้วน้อยๆจากรูปศิียเ์เก่งก็ เวลาที่เราต้องมาทำบุญให้ทานนักเสียสิปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี้เราเรากำไรเพราะสิ่งอหล่า น, นี้มันมันไม่หมดไปกับร่างกายยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใกล้ถึงจุดหมายตายทางมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะความตายนี่มันเป็นเพียงการ การเปี่นเครื่องโทรศัพท์มีถึงเพื่อเจ้าของโทรศัพท์ไม่ได้ตามไปกับโทรศัพท์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไปกับพระสรีระของพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านท่านก็ยังอยู่อยู่ที่ว่าเราจะมีความสามารถจะติดต่อกับท่นานได้หรือเปล่าเป็นกติดต่อท่านทางไม่ได้จ า, าติดต่อยอยางเรา้ยิท่านตลอด เราไม่พอกาลังไม่พอท่ า, า, า, า, นอนานก็รับท่านก็รับแต่ว่ า, าท่านคือส่งูราท่านจะรอ<า>รับเราหรือเปล่าอย่าพว <c oughs> กเจ้าเจ้าท่านก็ส่งไปห า, า, าพระมุธมาเพราะมุธรรม า, รมารเป็นเทพท่านก็ส่งกระแสจิตไปหา แล้วก็เทศสอนอยู่สามเดือนด้วยกันหนึ่งพันสามจนมรรลุเป็นพระสวัดาบัรในในในสภาพของเทศได้มันต้องมีความผูกพันต้องมีอะไรกันอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกอยากจะส่ไปหาเหมือนเราอยากนึกอยากจะโทรเบอร์ไหนก็โทรไปแล้วเขาไม่รักตายเขารับเขารับแต่เขาอาจจะไม่คุยด้วย อชนนี้าไม่สามาติดต่อได้เัยมันเรียยากเป็นไหมพี่มีคนถามว่าลูกทำไมไม่ถามปัญหาลูกบอกว่าลูกอะโดนระเบิดผีชี่ไปหลายลูก อาาะเอ่ออย่างเวลาที่เจริญสติแล้วก็มีรูปรลกินเสียงเข้ามาพระอาจารย์ให้เราแบบว่ามีสติอยู่อับตรงนั้นใช่ไหมคะเราพิจารณานี่เราดูเกิดดับมันด้วยหรอคะก็ได้ดูว่ามันเกิดมันดับาไม่ไปยึดติดไม่ไปอยากมันไม่ใช่เกิดดับแล้วก็ยังหลากก็ได้อยู่แสดงว่าไม่ไม่ไม่เห็นการเกิดดับจริงๆถ้าเกิดดับก็คือว่ามันมันมาแล้วมันก็ไปก็อย่าไปเอามาดีกว่า หลายวามว่าเลยนเห็ น, นเผื่อผ้าสวยๆอยากจะงได้ขึ้นมาก็เอามาเดี๋ยวใส่ได้ข้างสองทางแล้วก็ไม่ใส่เลยตนี้นก็เสียเสียเงิน เ, เนสียทางเสียเวลาอะไรต่างๆทีนี้ถ้าอย่างช่วงที่เราดูเกิดดับที่มันเกิดกับกายอย่างเนี้ยแล้วเราก็มันก็จะมีความคิดเข้ามาด้วยเราก็ไปดูเราก็เราก็เห็นความคิดเราก็มาดูที่ที่ใจเราว่าเรารู้สึกยังไงถูกว่าเปล่าคะแล้วมันก็ดับ ไม่ถ้าเราดูเกิดดับเราต้องถามตัวงว่าเราเราเรารับได้กับการดับของมันหรือเ่าเช่นร่างกายนี้ดับเรารับรับเรารับมันได้หรือ่านี่คือการการดูเกิดดับต้องดูแบบนี้ดูเพื่อให้ใจเรารับกับความจริงของการของการดับของมันได้หรือเับเช่นเราได้อะไรมาเราพร้อมที่จะเสียมันไปหรือเป่า ได้สามีมาเนี่ยค้อมที่จะเสียงเข้าไปไม่สับเสียไปแล้ว <laughs> เสียแล้วไม่น้องผมร้องให้ไม่เข้าสุดเสียใจได้ไมิสปบต้ อ, ตอถามตัวเองี้ถ้าพร้อมจะเอามาได้อยากจะได้อะไรก็เอามาได้แต่ต้องพร้อมให้เข้าไปเสมอเข้าไปแบบมีความสุกใจเวลาเข้าไปแล้วเรามีทางศึกษาก็ไม่ขัดขืนถ้าเขาได้เข้ามาแล้วต้องมาห่วงมาห่วงมาทุกข์มากังวลอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เห็นกัน คามดับของถังอันนี้คือเราพิจารณาเกิดดับเป็นใหญ่ๆถ้าสมมุติอย่างกรณีจเจริญสติอย่างเดียวเวลาเรามีรถเข้ามามใช่ไห ม, มเรารู้รถ<ม>เราก็ดูดดแล้วรสมันก็หายไปก็คือเกิดดับด้วยแล้วอย่างในกรณีที่ลมเข้ามากร ะ, ะทบเราเรารู้สึกเย็นความรู้สึกอยู่ที่ใจเราแล้วมันก็ดับอย่างนี้ถือว่าเป็นดูเกิดดับเพื่อพระคัพปัญดูแต่ดูอย่างนี้ไม่เกิดประโยะน์หรอต้องการดูเพื่อให้ใจเฉยเฉยกับมันค่ะดูว่ามันมาแล้วก็ไป ดังนันไม่ต้องไปเย็นดีนะทยหนึ่งะ้องดึงตรงนี้เป็นเวลาความร้อนมากระทบเน่เฉยได้หรือเปล่ามันเกินเดี๋ยวมันก็หายไปมันร้อนมันไม่ร้อนไม่ตลอดเนเดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องเย็นหรือว่ามันเย็นนะเดี๋ยวมันจะร้อนรับกับเมื่อตามเปลี่ยนแปลงของมันได้หรือเปลคือเราก็รู้อยู่ว้ามันเกิดดับเกิดดับแอยู่ที่ว่าเรารับมันได้หรือเปล่า่าเวลามันเกิดหรือเวลามันดับ เป็นเวลาทําร้อนเกิดขึ้นแล้วรับมันได้หรือเปล่าหรเวลาความเย็นดับไปเรารับมันได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้จ้ะ ซ, ซึ่งตรงการที่เจรนาตรงนี้นี่หมายความว่าเราต้องไปนั่งสมาธิให้จิตตั้งมั่นก่อนแล้วเราค่อยมาดูหรือว่าเราสามารถดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คะถ้าดูได้ก็ดูไปค่ะถ้าดูแล้วต้องปล่อยวางให้ได้ถึงจะถึงจะได้ผลถ้าดูแล้วยังเหมือนเดิมอยู่ ก็ยังรักยังชังอยู่ก็ยังไม่ได้ผลแล้วที่ไม่ได้ผลเพราะถ้าอะไรถ้าการเขาดูไม่เป็นไงเราดูไม่เป็นเขาดูไม่ได้เพื่อปล่อยวางดูเพื่อรู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับเท่านั้นเองแค่ลุ้นเฉยแล้วก็ไปไปรักไปชังมันเหมือนเดิมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูเพื่อไม่ให้รักไม่ให้ชังเพื่อให้ใจเป็นอิสระเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายร้อนก็ได้ แล้วก็ได้คพอหนาแป๊บหนึําร้อนๆมาให้ดื่มก็เดิ่มได้ไม่ต้องไม่ไมต้องบ่นว่าทาไมไม่เย็นไม่แค่เย็นถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายมันก็ดื่มเพื่อเพื่อให้ร่างกายมีน้ําหล่อเลี้ยงเท่นั้นเองดั้นมันจะร้อนมันจะเย็นก็ไม่สําคัญอะไรแต่ถ้าจะดื่มเพื่อกิเลสมันก็ต้องเย็นเฉียดบถึงจะเพราะฉะนั้นขณะที่ตอนนั้นที่จิตเรายังไม่สามารถ ปล่อยวางได้นี่เราจะต้องทําใจไปก่อนใช่ไหมคะคุณอาจารย์หมายถึงว่ามันยังไม่ได้วางอัตโนมัตินะค่ะเราต้องทําใจเราให้วางต้องฝืนใจต้องฝืนใจชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเพื่อทําให้ใจเราอยู่ตรงกลางถ้าเราชอบเดือดเครื่องดื่มชนิดนี้เราก็อยากไปดื่มเราไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เขายกมาให้เราดื่มล้วก็ดื่มไปไม่ต้องไปบอกให้เขาเอายางอื่นมาแทง นอกจากมันถ้ามันเป็นนอกจากมันเป็นเหตุผลคือร่างกายมีปัญหารับไม่ได้นี่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าเป็นความชอบไม่ชอบนี่เราต้องปล่อยอย่าไปอย่าไปรักอย่าไปชันอาจารย์คะแล้วเวลาพิจารณาอาการสามสิบสองเนี่ยคือยังไม่ถึงขั้นที่ว่ามันจะเห็นภาพกระดูกอะไรนะคะแต่มีจําติดตาได้เที่กายค ย, ยาสติของตะบัวค่ะท่านมา ก็เราก็จะเห็นรูปอสุภะทั้งหมดนะคะเราจิตเราก็เป็นนึกเราก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะเห็นหัวใจคือเราจะจํามันแม่นมากที่สุดแล้วเราทํายังไงต่อไปคะอาจารย์คะคือการพิจารณาอสุภะด้วยความไม่นสวยงามอลังการทีเป้าหมายก็คือตัดกลางมาคะคือการอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้เท่านั้นเองอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่เห็นอาการที่ ศกกระโตกแล้วไม่สวยงามเนี่ยเราจะเกิดความเห็นว่าสวยงามแล้วเราก็อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาเราก็ต้องพยายามดูในส่วนที่มันไม่สวยงามที่มันศกกรกพอเห็นแล้วเราก็ไม่อยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาเช่นถ้าคิดว่าถ้าเขาไม่สะอาดน้ำไม่ได้สามวันอย่า ง, น, างนี้หรือไม่ได้หวีเท้าหรวีผมไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยพอเห็นแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะได้ร่วมหลับนอนกับเขา เราต้องพยายามเลือกถึงภาพอแบบนี้เพื่อจะได้ตัดความอยากเหล่า hmm. น no, really. sure yeah. like ี้เท่านั้นเองหรือจะเราเราเห็นเราเราไม่ชอบอาการอันไหนเราก็พยายามนึกถึงอาการนั้นก็ได้เช่นเราไม่ชอบโครงกระดูกเราก็นึกถึงโครงกระดูกก็ได้เราก็นึกถึงว่าถ้าเราไปหลับนอนกับเขาแล้วก็เราไปหลับนอนกับโครงกระดูกเนี่หรือถ้าเราไม่ชอบลำไส้อย่างเงี้ยก็ถึงลำไส้ที่มีอยู่ในในท้องในี ตัวเขาดูเพื่อทําให้เกิดความคลายความกําหนัดจริงๆในกางมาว่าเขานี่คือเป้าหมายของการพิจารณาสุขภาเพื่อจะได้อยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหนาว้าวเวคนที่ต้องมีสามีมีภรรยามีคู่ครองเพราะว่าเขามีความรู้สึกเหงาว้าเหวเขาต้องมีเพื่อนมีคู่ครอง แต่เขาไม่รู้ว่าคู่คองเพื่อนของเขานี่ก็เป็นพีดิบนี่เองเป็นโครงกระดูกมีจับใยไทรพุงอยู่ในตัวเขาเแต่เรามองไม่เห็นต้องการให้เห็นส่วนนี้ออค่เหลือจะพิจารณาสุภาพิตในมุมก็คือว่าร่างกายของเราในทุกวันนีง ก็จะต้องเป็นซากศพตัวเรานี้ไม่ได้วิเศษพิสุทธตรงไหนเราจะได้มีความสมดุลทางนี้กับการที่จะไปหลงไปยึดติดกับความสวยงานของร่างกายเราเอนบางที่เราก็พิธีพิถันเรื่อางเกี่ยวกับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทําผมเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้ทั้งทั้งที่มันก็เป็นซาสกศพที่กําลังจะรอเน่าเฟะออกมาตอนนี้น คือจะตัดต้องตัดอะไรตัดลดความคิดกิเลสที่ยังไม่ดีอย่เงี้ยอ่าตัดมันที่เฉยอย่างเดียวคือล ง, งับมันไว้ก่อนค่ะอืมแต่มนต้องใช้มันต้องดึงคือกิเลสนี่ถ้าลองับมันที่เฉยนี่มันจะไม่หักมันมันจะไม่ตายถ้าเราจะให้มันตายเราต้องเห็นว่ามันเกิดรดับคือแล้วก็เห็นการดับของสิ่งต่างๆที่กิเลสไปเกิดความยินดียินได้ด้วย แล้ ว, ลวพอพอตัดได้แล้วมันก็จะรู้สึกคืบเข้มกับสิ่งที่เราจะทำถัดไปขณะที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเหมือนกับเราทําการบ้านเหมือนกับเราซ้อมถ้าเป็นนักมวยก็ชกกระสอบใจเราก็พี่ว่าเราเราเราทําได้แต่พอเราไปขึ้นเวทีนี่มันกระสอบแล้ไม่ใช่เป็นกระสอบใจมันมีลูกเล่นมันมันมันเื่อนไวได้เร็วกว่าเรา ลองถ้าเราไม่ทันมันเราก็ถูกมันต่อยเนาะแทนเฉะนั้นถ้าเราเวลาไปอยในเหตุการณ์จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ก็ แ, แสดงว่าเรายังยังสอบไม่ผ่านเราก็ต้องกลับมาทํากลางบ้านเพิ่มมากขึ้นต้องพิจารณาการเกิดการดับของสิ่งต่างๆให้มากขึ้นคือเรื่องเกิดนี่มันก็ไม่สาคัญเท่ า, า, รารเรื่องดับ ถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างมันอยาบเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดจ<ม>ากความไม่อยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเราต้องเห็นอย่างนี้<ม>แล้วต่อไปเวลาเราเห็นอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยคือไม่ยินดีริ่านไม่เกิดความอยากได้แลอไม่เกิดความอยากจะหนีจากสิ่งเหล่านั้นไป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 แล้วเราก็ต้องเดินทางผ่านไปในสถานที่นั้นใจของเรารู้สึกเป็นยังไงใจของเรายังหวั่นไหวหรือว่าเฉยเยหรือว่าอย่างมากก็ดับหรือว่าอย่างมากร่างกายนี้ก็ต้องดับก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรแต่ถ้ายังรู้ยังไม่คิดถึงว่าร่างกายมันจะดับและยังเกิดความอยากให้ร่างกายใี้อยู่มันก็จะเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาได้ ใ น, นการดูการเกิดดับนี่เพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาสาัมผัสรับรู้นี่ยมันจะต้องหมดไปฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะจะทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดียินร้ายเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเราปล่อยวางเขาได้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 ไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เกิดดับเกิดดับถ้ามีอยู่ก็ต้องเตรียมตัวรับต่อการดับถ้ามีรูปเกิดเขาดับไปก่อนเราดับนี้เราก็ต้องเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นี้หรือมีอะไรก็ตามแล้วต้องจากรอไปอย่างนี้ก็เป็นการดับของเขาเราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่ ถ้าเพียงแต่ทำการบ้านยังไม่พร้อมแล้ว่าวลาไปเจอของจริงจะทําได้ไหรือไมพีงแต่คิดถึงมันก็ยังรับไม่ได้เช่นที่ว่าลูกเราอาจจะต้องตายจากเราไปก่อนเรานี้ถ้าเรายังคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปไปพบกับเหตุการณ์จริงได้อย่างไรเราก็ต้องซ้อมไปก่อนต้องคิดอย่างนี้ไปก่อนว่าไม่แน่นะแล้วลูกเราอาจจะไปก่อนเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปก่อนลูกเราเสมอไปถ้าเรากล้า คิดได้ต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจเราพอมันฝังจนไม่ลืมนะพอเกิดเหตุการณ์จริงมันก็จะไม่เกิดอาการตื่นเต้นหวาดกลัวเพราะมันเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นแล้วอาจจะมีอารมณ์บ้างเล็กน้อ ย, อ ย, อยแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหลักคือบางคนนี่เป็นบ้าไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเป็นวันเป็น เป็นเดือนกว่าจะทําใจได้คนที่พร้อมที่จะรับประเหตุการณ์ได้ก็ก็เพียงแค่เดีวเดียวเท่านี้นาทีเพียงแต่นาทีสองนาทีหลังจากได้ฟังเขาแล้วก็อ่ะผ่านแล้วจบไปแล้วเป็น <c oughs> หน้าที่ทําอะไรก็ทําไปทําส่งก็ทําไปถ้าไม่มีกําลังที่จะคิดถึงเรื่องดับอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่มี สมาธิพออย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไว้เพราะมีกิเลสมากกิเลสก็คือความหลงอุปทานความยึดติดความอยากอยากจะให้เขาอยู่กับเรงไปนานๆก็จะไม่กล้าคิดถึงเรื่องการจากไปของเขาแต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วความโลภความโกรธความอยากความหลงอะนี้อุปทานความยึดติดนี้มันจะเหมือนกับถูก ถูกกดเอาไว้ยัง ม, มีอยู่แต่มันไม่รุนแรงพอที่จะทําให้เราสามารถคิดถึงความจริงได้ว่าไม่เขากับเราก็ต้องจากกันอย่างแน่นอนไม่เขากับเราก็ต้องไปใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเองเราก็จะคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อน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 คนที่อยู่ใกล้ตัวเราวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีก็ได้เพราะอารมณ์เขาเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเวลาอารมณ์ดีเขาก็พูดดีทําดีไปหมดเวลาอารมณ์ไม่ดีก็พูดไม่ดีทําไม่ดีไปหมดเรารับกับกความดีความไม่ดีของเขาได้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้ต่างหากหรือที่ว่าเราทําใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือเปล่าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม่ว่าจะเกิดหรือดับที่เราต้องต้อ ง, ต, องต้องทําใจ ทำใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่ากันเกิดกับดับนี้เท่ากันสำหรับใจที่รู้ทันแล้วเราไม่ดีใจไม่เสียใจเวลาได้มาก็ไม่ดีใจเพราะรู้ว่าได้มาก็เพื่อจะต้องเสียมันอยู่แล้วนี่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่เสียถ้าไม่มีก็ไม่เสียงั้นเวลามีไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจถ้าดีใจก็ว่าหลงนะ เพรเวลา ด, ดีใจเวลาเสียไปก็ต้องเสียใจแน่นอนแต่ถ้าเวลาได้มาไม่ดีใจเวลาเสียไปก็ยังไม่เสียใจเหมนทอนก็ให้ของที่เราไม่ชอบนี่เรารับไว้เวลาคนหนึ่งเราไปเราก็ไม่เสียใจหรือบางทีเราอยากจะให้ยกให้คนหนึ่งไปทันทีจะได้ซ้อาไปไม่อยากจะเก็บไว้ของเราถึงเวียนเทียนกันเงี้ยของขวัญที่เราได้รับก่นนี้ ขนายเราไม่ชอบแล้วก็เอาไปให้คนอื่นชอแล้วเราต้องทําใจคืออย่าไปชอบหรือชัง <c oughs> อย่ายินดียินร้ายกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆ <c oughs> นี่คือความหมายการให้ดูการเกิดดับให้ดู <c oughs> ดูสอนใจว่าไม่มีอะไรมันจะเป็นคงเส้นคงวางเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปนี่คือความหมายใจมีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปทําใจให้เป็นเหมือนกระจกก็แล้กระจกนี่เวลาเรายิ้มใส่กระจกกระจกมันก็เฉยเฉยเหมืนไม่ดีใจ <c oughs> เวลายักเราแยกเคี้ยวใส่กระจกมันก็ไม่ได้โกรธคืออะไรเราให้เป็นเหมือ น, นกระจกเพียงแต่รับรู้อย่างเดียวใจธรรมชาติคือผู้รู้เป็นธาตรู้ แต่มีกิเลสมาเกี่ยวข้องด้วยเลยทําให้ใจไปฝับไฟยินดียินร้ายขึ้นเราต้องการมาสนใจใหย้ยุติการยินดียินร้ายการวักการชังการโลภ ก, การโกรธเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะยุติให้รู้เฉยๆใจรับรู้ได้หมดไม่มีอะไรมากระทบ ก, กระเทือนทําลายใจยได้ระเบิดนิวเคลีย์ก็ทําลายใจยไม่ได้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 ก็คือธรรมชาติดินน้ําลมไฟถ้าวันหนึ่งเขาก็จะมาขอร่างกายนี้กลับไปน้ําก็จะมาทวงเอาส่วนน้ําไปดินก็จะเอาส่วนดินไปลมก็จะเอาส่วนลมไปไฟก็จะเอาส่วนไฟไปร่างกายนี้ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เนี่ยคืออนิจจังทุกขังหน้าตาคือปัญญาของพระพุทธศาสนา ข้อสําคัญก็คือต้องอยู่คู่กับใจอยู่ทุกเวลานาทีท่านั้นแหละนี่เป็นตัวตัวสำคัญที่สุดรู้แค่แค่นี้ไม่พอตอนนี้เราก็รู้กันแล้วว่าอนิจจังทุกขั้งหน้าตาเป็นอะไรแต่มันไม่อยู่ฝังอยู่ในใจตลอดเวลาพอไปเจอเหตุการณ์จรินขึ้นมาปั๊บลืมไปละหายไปละอนิจจังทุกขังอน้าตาที่ได้ยินมาพอมันไม่อยู่ในใจมันก็เกิดความวิตกขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา เกิดความทุกข์าจขึ้นมาแล้หน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามปลูกฝังอ น, นิจจังทุกข์กามตาให้มันอยู่ในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออมองอะไรต้องรู้ทันทีว่ามันเกิดดับเนะี่ยมันต้องดับเนะี่ยมันต้องไปอย่าไปยึดอย่าไปติดนะมันไม่ใช่ของเราต้องต้องทัง้คัดต้องท่องขันธ์หายอย่างนี้ไม่งั้นมันมจะลืมเดี๋ยวก็ลืม พอลืมแล้วก็อยากได้เห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากได้ขช่นมาเป็นแสดงก็ไม่เห็นอะไรนี้ม่เห็นเกิดดับแล้เห็นแต่เกิดอย่างเดียวอยากจะได้ใช่ถ้าย่งนั้นเวลาที่จิตดับก็ออกไปเลยนะคะตัวธาตุรู้ที่รู้ไปถึงขนาดนั้นตามติดติไปกับตัวติตไหมคะจิตไม่ดับจิตกับธาตุรู้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเราเป็ตัวเรียกชื่อต่างกันนั่รเองตัวจิตไม่เคยดับตัวธาตุรู้ไม่เคยดับ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 เหมือนน้าเนี่ยมันน้ํามันจะเป็นน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกคลื่นแต่อะไรต่างๆที่มันอยู่ในน้ํานี่มันเกิดดับเกิดดับเพราะมันมีตลอดเวลาแต่ตัวน้ํานี่มันก็เป็นน้ำอยูนตัวจิตก็คือตัวรู้มันก็รู้อยู่อย่างนันภาษาชาตธาตุรู้นี่ถึงว่าอย่างของแต่ละคนเนี้ก็คือมีธาตุรู้ของแต่ละคนใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ไม่ตายเออ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 คือถ้าโล้มันเป็นนิพพานโดยปริยาเวลาที่ไม่มีโรคเ ก, กิดอย่งน้นมันก็เป็นนิพพานไปมันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาวะของจิตที่สะอาดโดยสิ้คือภาพรู้สดเดิมตัวนี้น<ม>เช่นเหมือนคนที่รักษาโรคภยัยไข้เจ็บจนหายไปหมดแนละ้วก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เพียงแต่ไม่มีไท้หวัดไม่มีไม่มีโรคภัยอยู่ในร่างกายในร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไร แต่ไม่ได้ตายหายไปไหนจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ไม่หายไปไหนไม่ได้สูญหายไปไหนที่สูญก็คือความโลภความกวดความหลงที่มีอยู่ในใจนะั้นมันสูญไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์คนไม่ปฏิบัติจะจะไม่เข้าใจแต่คิดว่านิพพานก็คือสูญสูญหมดเนี่นปฏิบัติมาให้มันเหนื่อยแทำไม <c oughs> <c oughs> มันไม่สูงเนะเราจิตมันไม่สูงถ้าเกิดว่ามันก็ในที่เราเล่าสมาธอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการเกิดดับของบางส่วนจะไม่มีเปล่ยนส่วนมันนิ่งๆเรารู้ว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะมีนิ่งแล้วมันก็มีตัววิ่งไปไม่งมาเกิดดับไปเรยๆมันก็มีอยู่ตัวนิ่งอยู่แล้วก็มันก็มีตัวเกิดดับอยู่อะไรเงี้ยไอ้ตัวนิ่งตัวนั้นคือคือตัวเกิดดับอกตัวหนึ่งหรือเ่าคะคือสมาธิเนี่ยมันมีหลายระดับ คือถ้ามันยังไม่นิ่งเต็มที่มันก็ยังมีเกิดดับเกิดดับอะไรที่ยังมีในใจคือมันมีจังหวะที่พอมันดับแต่มันก็ยังมีนิ่งๆแล้วก็สุดท้ายมันจะเกิดอีกใหม่แล้วก็ดับก็รู้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าจิตของเรายังไม่นิ่งเต็มที่ถ้านิ่งเต็มที่แล้ว้ตัวเกิดดับเกิดดับอะไรตามมันจะหายไปหมดจะเหลือแต่ตัวรู้อยู่เฉยๆอย่างเดียวเหมอนที่ท่านเรียว่าสักแต่ว่ารู้ หรือนิ่งแล้วก็ยังรู้อยู่กับเรื่องเสียงเรื่องเสียงเรน่อตรู<ผ>้จจิตไม่ไปวุ่นวายกับมันมันก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันได้ขนาดนั้นก็พอเพียงถ้าจะนิ่งแบบทุกอย่างหายไปนี้ท่านเรียกว่าสัญญาวเวดิเวดิทันิโรธาสมาบัติเป็นขั้นที่เก้าของของฌานสมาบัติฌานสี่แล้วก็รูปฌานสี่อรูปฌานสี่แล้วก็ถึงถึงสัญญาวเวดิเวดิทั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 ถ้าถ้าอยู่ในจิตระดับประมาณนี้ว่ามันมเกิดมีดับแล้วก็มีทั้งตัวนิ่งเนี่ยเราสามารถจะกลับมาพิจารณาใช่ไหมหรือว่าจะต้องรอให้มันนิ่งจนกระทั่งไม่มีตัวที่เกิดดับคือเวลาทําสมาธิเราต้องการให้มันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องการพิจารณาพิจารณ า, า, ารอให้เวลาออกมาจากสมาธิก่อนตอนนี้เป็นเวลาหลับนอนพักผ่อนต้องให้มันพักให้เต็มที่อย่าใช้งานพอมันพอพักผ่อนเต็มที่ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปทํางานทีนี้ก็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 ก็พิจารณาเพื่อดับความกลัวเพราะมันเปนความทุกข์ปัญญามีไหมเพื่อดับความทุกข์ต้องพิจารณาจนไม่กลัวนั่นนหะคือเอาความจริงมายืนยันกับจิตว่าต้องตายหน้าร่างกายเนี่ยไม่มีทางเลือกทางอื่นเพราะมันโดนมันโดนโดนยืนยันนี้มาตลอดมันก็ต้องยอมแพ้กันได้กินเหล็กมันจะมาถึงว่าไม่ได้ตายไม่ได้ไม่มีทางความจริงมันมันมีน้ําหนักมากกว่าความความอยาก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 ความอยากอยู่นี่พอมันรู้ว่าต้องตายเนี่ยนะหมอบอกว่ามีอีกหเดือนนะ น, <ม>นั่นจะเชื่อไม่เชื่อละ่ะเ<ม>ชื่อแล้วสิใช่ไหมทีมนี้ก็จะเริ่มทําบุญกันอย่างเต็มที่เลยแหละ <c oughs> มีอะไรก็คิดเริ่มเริ่มสละละมีอะไรไม่หวงละนะจะให้ใครดีเวลาบัวเห็นแล้วมันจะดับจริงๆแล้วทีนี้มันมันมันเริ่มปฏิบัติทําได้แล้วมันเริ่มปล่อยวางแะ แต่ถ้ายังไม่เห็นว่ามันจะตายมันมันยังไงก็ยังหวงยังหวงอยู่ยังเสียดายอยู่นั้ น, นพยนายามพิจาให้มันเห็นว่าต้องตายแ น, น่ๆแล้วมันจะได้ไม่อยากได้ แค่ประมาณที่ว่าห้านทีัก็ก็ไปเลยทังสยทิ่แล้วก็มาโผลมเหมือนข้างล่งข้า้งบนเหมือนที่มืดโผ่ที่สวาหคตอนช่วงที่นาฬิกามัน้าับะรท่มอนช่วงเวลาผ่ัก็ออกมาติดมันก็มันก็รู้สึกเป็นอิสระแล้วมันก็ลุดลง ก็เาจิตสงบมนก็ทุกอย่างมันก็หยุดทํางานไปมันก็โล่งมันก็ว่างไปแต่พอออกมาได้ไม่งานมันก็เริ่มกับคลืนสูน่สภาพเดิมเริ่มคิดปรุงแต่งต่างๆกิเลสทัญญาที่เป็นสมมุติต่างๆก็จะกลับมาก็จะมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องแล้วมันก็จะมีอุปทานมีความยึดติดและก็มีความทุกข์ความกังวลต่อไปเพราะสมาธินี้ไม่สามารถดับสิ่งเหล่านี้ได้ เพียงแต่กดมันไว้ได้ชั่วคราวเหมือนหินทับยญ้าเวลาเห็นหินทับยญ้าไว้ยาก็จะไม่สามารถงอกงอกขึ้นมาได้พอเอาเหินออกไปไม่นานย้ามันก็จะงอกกลับขึ้นมาขณะอยู่ในสมาธินี้ทุกอย่างก็ก็เป็นเหมือนนิพพานคือเป็นนิพพานชั่วคราวคือตอนนั้นกิเลตอะไรต่างๆนี้มันก็จะหยุดทํางานอยู่ แต่พอออกจากสมาธิแล้วมันก็เริ่มกลับมาทำงานหมดถึงต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้อย่าง้าวงไม่มีวิธีอื่นแต่ต้องอาศัยสมาธิก่อนเพื่อที่จะลดกำลังของกิเลสให้มันอ่อนลงพอกิเลสอ่อนลงแนละ้วก็จะง่ายต่อการตับด้วยปัญญาถ้ากิเลสมีกาลังมาก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 อารย์คะถ้าิที่สมาธิสมาธิมีข้อหนึ่งก็คือเราจะต้องตัดกรรมฉันทะให้ได้ครับ่ะคือการมฉันทะนี่มันมันก็เป็นอุปสรรคเขาเรียกว่านิวรณถ้าเรามีการมฉันทะเวลานั่งสมาธิได้ยอเดียวก็รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่อยากจะนั่งเพราะเรากรรมะฉันทะจะชอบความไม่เจ็บพราะเกิดความเจ็บขึ้นมามันก็จะไม่ชอบเพราะเกิดความไม่ชอบก็จะเกิดการกวนกรวายกระสับกระสานขึ้นมาภายในใจ ทำให้ไม่สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเราสามารถตัดกรรมมาใช้ท่าได้เช่นเราฝึกอยู่กับความยากลำบากร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปไม่ต้องไปติดแออย่างนี้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บมันปวดไปหรือเราไม่ไปแสวงหาความสุขจากจากความสบายของทางร่างกายต่างๆด้วยวิธีต่างๆอย่างนี้พอพอเราไม่มีไม่มีความ ไม่มีการมาฉันทะก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการความสุขทางร่างกายเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะพอทนได้จะไม่รู้สึกเ อ, อึดอัดหรือว่าลำบากใจก็ยังสามารถบริกรรมพุโทโธต่อไปได้ดจนเข้าสู่ความสงบได้แต่นี้เป็น<ม>เป็นการมาฉันทะในมินวอนไม่ใช่เป็นการมาละคะ<ม>การม า, ราคะนี่มันเป็น ท่านของปัญญาคือต้องการถอดถอนความกำหนับยินดีในการมีเพศสัมพันธ์อย่างท้าวนาวนก็ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นเห็นเห็นซากศพในร่างกายเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้ตูม <c oughs> เห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเห็นแล้วมันก็จะเกิดการรังเกียจขึน้นมาแทนที่จะมีความกำหนับยินดีก็จะเกิดความรังเกียจ มันก็จะคลายความกำหนัดยินดีได้ <c oughs> มันเป็นสองสองสวนด้วยกันเวลาทำเจริญสมาธินี่ก็ตอกจากการมาเฉนท่าอย่างเช่นตัดลดความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายไปก่อนเช <c oughs> ่นดูหนังฟังเพลงหา <c oughs> ความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสด้วยวิธีการต่างๆเราต้องตัดไปแล้วก็จะได้ทำให้การนั่งสมาธินี้ง่ายขึ้น ถ้ยังติดความจุกทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เดี๋ยวก็หิวนาำเดี๋ยวหิวเครื่องดิ่มชนิดนั้นชนิดนีด้เดี๋ยวอยากจะรับประทานอาหารเนี่ยเช่นคนที่คือคนที่จะนั่งสมาธิท่านเขาท่านมงสอนให้ถือสีแปดในการมาฉันทะทางทางรูปเสียงกลิ่นรสใจอาหารก็กินพอกับความต้องการของร่างกายไม่ต้องกินเพื่อกามาฉันทะไม่ได้กินตามความอยาก หลังจากที่งวันไปแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วความสุขทางตาหูก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังก็าจะดูก็ดูธรรมะฟังธรรมะไปเวลานอนก็นอนให้ น, อน้อยนอนบนพื้นที่ไม่มีฟูกหนาะนะถ้าฟูกหนาแล้วมันจะนอนนอนยาวความต้องการของร่างกายแค่สี่ชั่วโมงก็พอแต่ถ้ามีฟูกแล้วมันจะนอนแปดชั่วโมงมันก็จะเสียเวลาไป แทนที่จะสี่ชัว่วมงมานั่งสมาธิก้าวหน้าไปก็ต้องมาเสียเวลากับการนอนพอนอนมากๆพอตื่นขึ้นมาก็หิวอยากจะกินอีกมันก็จะมวนวนติดอยู่กับการหาความสุขทางกายมาฉันทะเลยก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิจเจริญเจริญสมาธิได้ในคนที่อยากจ ะ, จะเจริญสมาธิถึงต้องตัดตัด ก, กายมาฉันทาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนก็กินเมื่อเดียวเลยแทนที่จะกิน กินสองมื้อก็เอามันมื้อเดียวบางคนก็อดอาหารไปเลย3มวันค่อยมารับประทานสักครั้งหนึ่งนี่นมันก็ช่วยตับการมะฉันทาไปได้เยอะเวลาน่าสมาธิก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายได้จะไม่รู้สึกอึด อ, อัดเรื่องันคานใจเพื่อจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ต้องตัดมิวรตรงนี้ให้ได้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 ระยะสั้นทุกตอนต้นเพื่อความสุขตอนปลายแล้วก็ยอมทนทุกไปไม่นานแล้วต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์ถ้าเราฝืนมันได้สักสองสามครั้งแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาไปมันจะลําบากตอนใหม่ๆคนที่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มชุลาเนี้เวาที่จะหยุดดื่มหรือหยุดสูบบุหรีน่นียจะไม่มาจะรู้สึกยากมาก พอฝืนได้สักครั้งสองครั้งแล้วต่อไปมันก็จะเบาลงไปย่ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเลิกได้ในที่สุดพอไม่มีการมาสันทาแล้วมันจิตมันก็จะไม่ไม่ปรุงแต่งที่จะออกไปหาความสุขมันก็จะนิ่งสงบโดยปริยายพอมาทําสมาธิมันก็สงบง่ายง่ายกว่าจิตที่คิดปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรถอยู่ตลอดเวลนะ อะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานไปคุ ย, ยกับคนนั้นไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้มันจะคิดอยู่ตลอดเวลาพอเวลามานั่งสมาธิแล้วมันต้องต่อสู้กันพอไม่มีามการมาเฉยท่ามันก็ไม่มีความคิดเหล่านี้ที่เราจะต้องมาต่อสู้ให้อยู่กับพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธไปมันจะไม่แวะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัครับ ยอมทุกหนอยเนี่ยทุกตอนต้นแล้วจะสบายตอนปลายทุกเดียวเดียวเหมือนกับหมอผ่าตัดผ่าแล้วหายไปตลอดไม่ดีน้าอากิเลสสามตัวนี้ออกไปจากใจแล้วสบายไปตลอดชีวิตตลอดไม่มีวันเส้นสุดถ้าไม่เอาสามตัวนี้ออกอยู่ไปอร้อยร้อยชาติฐันชาติมันก็ยังต้องทุกข์ไปอีกนะถ้ายอมเจ็เจะไม่มีใครไม่เจ็บหรอก เวลาขาดตัดน no <g beers> ี้มันไม่มียาสงบผ่าผาตัดกีเลนไม่มียาสงบมันมีแต่ทันติกวยเวลานะได้พอเวลาขาล่วเปล่าริติสาาง เอว i เนวะอิโตตินังเปตังนังอุปการปฏิอิชิตัปฏิตางตุมหังพิปะเมวะสมิจตุสัพพิภูเรหิตุสังกะปะจำทูปนะระโยทามนจโตติระโสยท h สทิติโรวิวัชฌตุสัโรโควินาศตุ มาเตผวะปันตระโยสุขีทีฆาโยผวะอภิวาทานศีลสักจะมุทภาพจายุโนจตารโอธรรมวัฏฐนติอายวนโอสุขังลัง ในกิจกเรที่เฉยๆทำไมไม่ได้เลยได้แต่ความวุ่นความสงบความเร่งไม่เอาวุ่นจนที่สุดแล้วก็ต้องหยุดหยุดเองไปทำอะไรได้แต่กว่าจะได้คิดจมันก็เป็นใครตามเรื่องถ้าเราฉลาดก็ปล่อยออกมาอย่าไปอยู่ใต้กับไอ้จ้าถ้าไม่มีทาจะเป็นไม่ต้องเป็น 他养的就很少。 แต่จะขึ้นยกทีอยากไปเข้าห้องสอบเพไมองไม่เห็นความจริงอาจารย์เาลงใจๆนะมันเดียวเยวอยงเดียของาจารย์เราไม่ไเข้ากันเยาเราไม่ยอมชื่าเรายิ่งไม่ยอมเช่อขนาันก็ยิ่งงานถ้ายอมเชื่แล้วเดียวเดียวจริงาตนี้ก็ได้ชาหนอาจารย์เดียวเดียว วันนี้ไปเขาหญ่เขาใหญ่เเพราะว่าเกันเลยของท right. well, ่านก็อาจจะขึ้น้นงบางวก็ก็ดนก็ดีมันเป็นภาวะของของท่าที่มันไม่เม่นะเราอยากไปวิติตกกังวลกับปัจจุบันดูไปเรื่อยท่านเคยเทียบมาหลายครั้งแล้วทนสาวท่านเเราแล้วครเซ็นเดียวนะ้าเนตายแล้ว แล้มัก็คึงที่ไหนท่านเป็นหลายครั้งนะแต่สมัยที่ท่านที่หลงปู่มันมาถาภาพใหม่ๆกานั้นก็ท่องเสียงถ้าว่าถ่ายท้องเสียงถายสิบครั้งแล้วก็คิดว่าจะไปแล้วการนั้นถ้าเหมือนก็คึออ่หยับน่อยท่านเป็นแมวเก้าชีวิตแมดูไปดีมากเลย ฟัง่ฟังค่ะฟังนิดหน่อยค่ะแต่เาโกงก้าไปเยอะก็ปฏิบัติด้ดีนะดีจังลต้อนที่เข้ามาครั้งแรกมามาช่วยออกแบบาตอนนั้นท่านยังทานไม่เ่นะีเขาของเ่าเยอะกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ตอนที่ปีาหปีก็พอกันพเยมาก่อนทัหน่อยนะีเดียวกัน เขาไปเขาใจถึงไปเลยก็สายเขาสนใจศึกษาแล้วก็กล้าสู้มีกี่ไหวก็ได้ค่ะอัิงจริงอนุโมทนาไอ้บวชมาเดีอนวน้ำหนักออกตกแล้วดกิตัวน้อยเลยเขาคูไปเล่าลูกเพื่อนเขามีความเพียรสูงมาก เขาได้ที่สัตไปยะที่ะดีอะไรก็ดูเาาตรงข้า ง, า ง, งทาทาบทติดเขามีรามลหลวพ่อแม่เีเขาแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีงูงอาเขาก็บอกเขาสังลับตายาเดินเินกินแรกรื่องกลัวที่สองยอมหมาตายได้ตายพอตรงแรกลแล้วก็สบายแต่เขาบอกสุดท้ายที่ตอนที่จะส คงเล่าท่านใจกลางที่เขาบอกเขาเข้าใจมากไม่อยากศึออ<ม>รรกเลยเพราะที่บรรากาศแล้วท่านพูดทํานั้นลูกก็บรรดาทุกคนที่ได้ฟังทร<ม>าบึ้นใจไม่ได้แจ้งใจบอกสงฆ์ไม่ไม่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ข้างหลังน<ม>ี<ม>่แหละนินตันเขาถ้าบวรจะแยกกลับไปทํางานยาและเกินตัว น, นี้ต้องพยานลักษาะไว้ให้ดีลักษาะําที่เราได้ไว้อย่าให้มันเสื่อม งานนี้อะไรก็ทำครทาด้วยสติอย่าไปยึดติดกัานไปตามเหตุไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าตกงานดึงไม่ได้เหมือนได้ตอนน้นต้องตกงานเราน้องลาออกจากงานมันจะได้บวชถ้าไม่ลาออกจากงานก็คงไม่ได้บวชอย่าไ้อย่าไ้เสียใดงายังควรก็บวน ไม่ต้องกลัวตายเนีเราเป็นท้าก็มีทักษิณมีบ้านอยู่มีเวลาปฏิบัาาตธรรมแมหนเป็น ท, ที่จะได้เสียแงางนจ่ายเลัเาขาอไปจะบวนอย่างท้าวอนก็คงขอาอากาศอยอะ มาดีมาดะ่อไงอาจรงต้ายังไม่คมเยังไม่ยอมลงทุนตายเป็นตายอดสนิททุกเป็นทุก อยไปกลัวทุ่าอาไปกลัวตายอย่ลยีไ้ต้องตายกัาายนทุกคนให้าตายแบบกไรก บ, บ น, น, น, นจะาานีน บ, บง้ตาตยมตายไปยได้ามดูตับลนตายแบบกไร ตอนนี้ไม่เต็เจ้าค่ะแต่งที่เ็นี่คือเวลาอยู่ใกล้คนรอ้าท่าน์จะเป็นความูส้าูค่ะเขาปวดหัวเาเป็นไข้เนื่ยเจ้าค่ะท่าอาจารย์แล้วแล้วรู้สึกเรารู้สึกว่าเรารับเขามาอนนี้เราควรที่จะทำยังไงยิ่งอยากให้หายยิ่งแปดูเขาเฉยเฉยมันก็นานเลยเกินนยิ่งอยู่ใกล้เขาก็คือต้องรับได้ต้องเดินถอยห่างจากคนนั้นไปเลยเจ้าค่ะถ้านอาเพราะจตเรยังไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเพื่อปล่อยวางเขา นะเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเขาเกิดแก่เจ็บตายเบาคนก็เจ็บมากบางคนก็เจ็บมากขึ้นอยู่กับภาวะของบุญกรรมที่ว่าทำมาคนที่มีกรรมมากก็จะมีความเจ็บมากมีโรคภัยไ้เจ็บมีมดมมากก็จะมีน้อก็ปล่อยแต่จะเมื่อของขาาจะเป็นอะไรบ้างเมื่อของขาแล้วคือเราต้องปลปวางใช่หมนอกจากถ้าเราช่วยพาเขาไปหาหมอได้แต่เขาก็ไป ทำรายได้ก็ทาให้เขาแต่อย่าพยายามให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาต้องเป็นของเขาอย่างนี้เป็นกรรมเป็นยินข้างเขาทำมาอย่างนี้จถึงจะใจถึงจะเป็นอู่เด็ดาได้ถ้ามองว่ามันเล่นดุลนั่กัน ถ้ามองว่าเขาเป็นเพื่อนหรืเป็นคนที่เรารู้จักเราอยากจะให้เขาไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาบางทีเขาเครียดเขาทุกข์ใจก็ทราบเพืท่านอาจารย์แต่ว่าช่วยแก้เขาไม่ได้อย่างบางคนบางคนเขาทุกข์ใจเขาไม่สบายใจอย่างบางคนเขาสบายใจเราก็เราก็จะสบายใจกับเขาด้วยอย่างนี้สิคะท่านอาจารย์เพราะเรายังเรายังไม่ปล่อยวางเขาถ้านนี้พอรับเข้ามาได้แล้วควรทําใจนิ่งๆแล้วก็ดูไปทีชั้นก็ได้เขาเขาจะเป็นอะไรก็เรี้ยวของเขาอ๋อ เราดีใจก็ไม่ดีเสียใจก็ไม่ดีเสแร้งดีที่สุดถ้าเสแสร้ก็ต้องยอมนับว่าเป็นยินเป็นกรรมของคุณค่ะขอบคุณค่มีความเพียรเพิ่มมากขึ้นไมเพียมากๆแล้วก็อย่างจะตามมาอ